ก็เลยอยากจะข อ, อปัญญาจากหลวงพี่ความแนะนําขอ ง, งพี่เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวนะครับแล้วก็เรื่องกับหลวงพี่จะเน้นเรื่องความตายซึ่งก็เริ่มพือไปแล้วครับใกล้จบแล้วแต่หลายคนยังไม่ได้ฟังครับหลวงพี่ <c oughs> สรุปสรุปนิดนึงครับแล้วก็อยากให้เราเตรียมตัวยังไงแล้วก็ใครที่มีคําถามนะครับเราจะใช้วิธีปุจชาวิสัชนาซึ่งอะไรที่เราติดขัดแบบไปหาที่ไหนอ่านไม่ได้เนี่ยก็ ถามพี่ได้นะครับหนูพี่ก็จะตอบให้เราถ้าตอบได้คครับแต่ส่วนใหญ่ก็ตอบได้ตรงใจครับตอนนั้นนะครับจริงๆอายุหกสิบนี่พวกเราก็ยังถือว่าไม่มากนะเพราะสมัยที่เกษียณตั้งหกสิบห้าแล้วใช่ไหมถูกครับผมเจ็ดสิบไม่ไม่เดี๋ยวนี้เขาจะเขาจะเริ่มขยายเวลาเกษียณเป็นหกสิบห้าแล้วเพราะว่าอายุยืนมากขึ้นนะแต่ว่าถ้าผู้ในภาพรวมเนี่ยหกสิบก็คือช่วงเวลาที่ ลงใช่ไหมในช่วงเวลาขาขึ้นของพวกเรามันผ่าไปแล้วหลายปีขาขึ้นในที่มันเรียกว่ากําลังวังชาใช่ไหมรวมทั้งความสําเร็จนะั้นหน้าที่การงานความคิดสร้างสรรค์อะไรพวกนี้โอเคถึงแม้บางคนเนี่ยเป็นที่ประดีนะหรือว่าเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันก็ถือว่าขึ้นนะนี่คนเลือเองนะี่นะครับในแง่ตาแหน่งเนี่ยก็สูงใช่ไหมสูงสุดแล้วล่ะนะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องลงอ่ะใช่ไหม พอเกษเมันก็ต้องวางอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นช่วงขาลงถึงแม้บางคนเนี่ยยังมีโอกาสที่จะขึ้นได้อีกนะในแง่ของอาชีพการงานนะหรือว่าการทําธุรกิจก็อาจจะมีโอกาสขึ้นได้อีกนะแต่ว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงขาลงอันนี้คนคนเวลาพูดถึงขาลงเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันมันเหมือนกับพระที่ตกอะ่ะ มันชวนหดหูแต่จริงเนี่ยช่วงขาลงเนี่ยมันก็มีเสน่ห์ของมันเหมือนกันมันก็มีอะไรดีๆอยู่ในช่วงขาลงเหมือนกันอไม่รู้พวกเรารู้จักอาจารย์ประมวลเพ็งจันหรือเปล่ า, าไม่เป็นไรกนะ็คืออาจารย์ประมวลแกเป็นอาจารย์ที่มอชอแล้วแ ก, กเกษียณแล้วแกเออร์ี่แล้วแกก็ตัดสินใจว่าจะเดินเท้าเนี่ยจากเชียงใหม่เนี่ยไปไป ไปสมุยบ้านเกิดเท้าเปล่านะเอเดินเท่าคือเดิน mm hmm. เดินแบบไ ม, mm hmm. ไม่ไม่นั่งรถนะแกเล้า ว, ว่าคราวหนึ่งแกเดินไปแถวแกผ่านดอยินทนท์แกก็ขึ้นดอยินทนท์แกเดิ น, แ ก, ดนแกเดินเนี่ยแกมีแกมีกมีมคล้ายๆว่าประทิฐทางสามข้อเลื่อนขายหนึ่งไม่จับเงินสองไม่ขออาหารใคร สามไม่ไปแวะบ้านคนรู้จักเพราะฉะนั้นเนี่ยบางช่วงบางวันก็ไม่มีกินมีม่งแกขึ้นดอยงนน์เนี่ยแกเคลียมากเลยนะนะเสร็จ แ, แล้วแกก็แกะก็เป็นลมมีคนเห็นขับรถผ่านมาก็มาพาแกขึ้นรถไปถึงยอดดอยนะแกก็ได้กินอาหารคนก็มาให้ได้กินน้ำนะ แกได้พักแกก็สบายใจพอมีกำลังบางชา้าแกก็ลงมาตอนลงนี่แกสังเกตว่าชิวช้ามันสวยมากเัวมันสวยนะทั้งก่ทั้ง ก, ง ก, ก่ยอพักแกฉุดขึ้นมาไอ้ตอนขาขึ้นเราก็ผ่านทางนี้นะแต่ทำไมเราไม่สังเกตใช่มเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เป้าหมายใจมีที่เป้าหมายคือจะให้ถึงจะให้ถึงนะนะ มันลืมเขาลืมสังเกตสองข้างทางแต่พอขาลงเนี่ยนะแทบแทบมันไม่มีจุดหมายนะ้วก็เริ่มเห็นว่าโอยรอบข้างนี่สวยงามมากเลยขาลมเนี่ยขาลงมาเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นสิ่งสวยงามนะอันนี้มันเป็นอุปมาอุปไมยนะว่าชีวิตเราเนี่ยในช่วงขาลงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้พบเอสิ่งที่สวยงามในชีวิตได้ซึ่งบางทีเราจะไม่สังเกต ตอนที่เราชื่อเราอยู่ช่วงขาขึ้นนะเพราะตอนตอนที่อยู่ในช่วงขาขึ้นเนี่ยมันคิดในเป้าหมายพยายามที่จะฟันฝ่าไปให้ถึงนะแต่พอลงเนี่ยนะหลังจากที่เราคิอว่าเออเราผ่านอะไรเยอะแล้วเราเริ่มสังเกตว่ามันมีมันมีอะไรสวยงามอยู่รอบตัวเรามากนะอันนี้เนี่ยก็มันก็ไปไปพ้องกับการค้นพบในงานวิจัยของ อาจารย์สองคนคนนึงเป็นคนหนึ่งอคนหนึงเนี่ยอยู่มาวิทยาวริกนะอันดูออสฟอรเนี่ ย, ยจะบอกว่าแกไปแกไปสัมภาษณ์คนเนี่ยเจ็ดสิบประเทศนะในช่วงวัยต่างๆกันแล้วพบว่าช่วงที่คนเนี่ยมีช่วงวัยที่คนมีความทุกไ์มที่สุดเนี่ยคือช่วงไหนรูนะ้ไช่วงไห น, นช่วงสี่สิบหกสี่สิบหก ซึ่งมันเป็นเรื่องแหนะแปลกเพราะสิผมเป็นช่วงที่พีคเนี่ยคนส่วนใหญ่พีคใช่ไหมนะประสบความสำเร็จก็เนี่ยโอบามากก็อายุ48ใช่ไหมนีโทนที่แบรงงนะนเนี่ยนะอวิสิตเนี่ยนะทักซิงเนี่ยนะก็60ปลาย60 60ต้นต้น50ต้นต้นตอนนี้อีกคนหนึ่งเนี่ยนะเอออาร์เธอร์สโตนเนี่ยอันนี้ของของปรินสตันก็ไปสัมภาษณ์นะถามคนมากมายเลย หลายประเทศเหมือนกันนะแล้วก็พบว่าเขาสามารถจะพลอตกราฟความสุขของคนตามช่วงวัยเขาพบว่าคนที่มีอายุ18เขาเริ่มจากเริ่มด้วยต่คนอายุ18นะ18มีอายุมามีความสุขมากที่สุดแล้วพอ19 20ก็ค่อยลงลงลงแล้วมันม า, มนม า, ต, มนมาต่ำสุดตรงไหนรู้ป่ะ40กว่าอื mm hmm. สอดคล้องกับของในออสเวลลแล้วก็หลังจาก40กว่าแล้วก็จะค่อยๆขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นก็ทัน80 แปสิบเนี่ยมีความสุขมากที่สุดอืมากกว่าสิบแปดไม่แปลกนะอืทั้งที่ไอ้ช่วงที่สี่สกอายุสีิบหกขึ้นไปเนี่ยมันคือช่วงขาลงของคนเใช่ไหมคนที่คนที่ทํางานเขียนอะไรดีๆเนี่ยนะนักเขียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็สี่สิบสี่สิบต้นๆหรือว่าสามสิบปลายปลายตอสตอร์คเขียนบ่อพีชก็สามสิบสามสิบปลายปลายใช่ไหม หรือว่าเจ้าคุณธรรมโดกเนี่ยพุทธธรรมเนี่ยก็ยุค40เป็นต้นเนี่ยคือคนเนี่ยในช่วงที่ชีวิตขาลงนะในในในแง่ของกําลังวังชาเนี่ยหรือในแง่ของชีวิตการงานเนี่ยปรากฏว่ากลับมีความสุขมากไอ้80มีอายุมากกว่า1 0ปีนี่มันแปลกมากเลยแต่นี่คือค่าเฉลยที่เขาคุณพบจากการที่วิจัยนะก็มีคําถามคือว่าไอ้คนที่ขาลงเนี่ยคนที่อยู่ในยุช่วงขาลงเนี่ยจนถึง80เนี่ยมันมีความสุขได้ยังไง กำลังช้าก็น้อยเงินก็น้อยลงมากที่การงานนะก็ก็ไม่มีก็ทำอะไรไม่ได้มากแล้วบางทีตำแหน่งก็หมดแล้วนะกเกษียณหรือว่าบริษัทปริวารก็เลน้อยลือน้อยลง<ๆ>เขาเพราะว่าความสุขเนี้ยมันอยู่ที่ใจสิ่งที่คนอายุมากเนี่ยนะในช่วงขาลงเนี่ยได้เปรียบกับคนวนัยอ่นคือมีวุฒธธิภาวะมีประสบการณ์ คนเหล่านี้เนี่ยนะเขาผ่านโลคมามามากเขาจนกระทงพบว่าเขาสามารถทําใจยอมรับกับไอความผ่านผลแปรปรวนได้นะเช่นวุ้นเอาเจอรถติดเนี่ยนะคนหนุ่มนี่มันโกรธมากต้นกดแตาใช่ไหมแต่ว่าคนแก่เนี่ยเออเฉยเพราะว่ามันธรรมดาใช่ไหมเนี่ยเขาเคยทดสอบวนะ่าคนแก่คนหนุม่มนะให้ฟังเสียงดังๆเนี่ยนะเสียงดังจากที่อยู่แค่ว่าจากเสียงว่าล้อมภายนอกเนี่ยคนแก่คนแก่เฉยได้มากกว่า นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันธรรมดาเนี่ยเขาก็รู้ว่าชีวิตมันเป็นอย่างงี้แหลนะความเจ็บป่วยมีเขาก็ามันเป็นธรรมดาชีวิตมันเป็นอย่างงี้แหลนะอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องของวุฒิภาวะรูปประสบการณ์ชีวิตที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับไอสิ่งที่มันผันผวนแปรปรวนที่มันดูไม่น่าสบายใจเนี่ยสามารถจะอยู่ได้กับยังมีความสุขหรือว่าเป็นปกติอีกอย่างนึ่งคือว่าคนที่มีอายุมากเนี่ยเขา เขาเขารู้ว่าความสุขเนี่ยจะไปรอหาจากอนาคตไม่ได้มันต้องมีความสุขเดี๋ยวนี้<ม>ใช่มะแล้ ว, แ ล, วแล้วเขาพ่าความสุขเนี่ยมันใกล้ตัวหาได้ใกล้ตัวความสุขจากการที่อยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงในเด็กสเก็ตคนวัยนี้เนี่ยเริ่มเริ่มจะเริ่มจะเริ่มจะ กาะกลุ่มกับเพื่อนฝูงมากขึ้นอันนี้มันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นทั่วนะแล้วพวกเรานี่ก็ก็ก็ชัดเจนนะไอตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวว่าไม่สนใจเพื่อนนะไปสนใจอนาคตมากกว่าแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเราสุ่าเออความสูงมันง่ายนิดเดียวก็สนทนาสนทนาใหไฮไฮกับเพื่อนนะไปกินข้าวด้วยกันหรือว่าอยู่กับคนคนในครอบครัวคนคนที่คนที่เขา มียอายุมากขึ้นเนี่ยเขารู้ว่าเวลามันเหลือไม่มากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้จักแสวงหาความสุขจากสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวมากที่สุดนะแล้วก็ประสบการณ์ชีวย ท, ทำให้เขาเนี่ยปล่อยวางอะไรได้มากขึ้นนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราว่าเนี่ยอันนี้คือคือสเสน่ห์ของคนที่อยู่ในชีวิตขาลงนะก็คือว่า สามารถจะใส่ใจสังเกตกับความสุขที่มันมีอยู่รอบตัวได้ง่ายขึ้นนะไม่รอความสุขข้างหน้าที่ไกลๆนะเพราะว่าส่วนนึงก็รู้ว่ารู้จะถึงเรื่อไหร่ใช่ไหมอันนี้ยมันมันเป็นมันเป็ น, ม, น, ป น, ม, น, ปนมันเป็นข้อได้เปรียบของคนที่ที่มีอายุมากนเพราะในนี้พูดพู ด, พดโดยค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยยิ่งเราอายุมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งต้องมีความสุขมากขึ้นอย่างน้อยมีความสุขกับตอนอายุ 40, 40กว่าใช่ไหม แล้วก็เมื่ออายุ70ก็ได้มีความสุขมากกว่าอายุ60อันนี้พูดถึงค่าเฉลีย่ยคราวนี้เนี่ยนะสวมคือว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันการที่เรามีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นอายุมากขึ้นมันทำให้เราเนี่ยรู้จักหาความสุขในปัจจุบันนะในขอบเขตที่ที่ที่เราที่เรามีใช่ไหม เพราะว่าเราเนี่ยรู้ว่าเรามีข้อจํากัดและเรายอนรับข้อจํากัดของเราเราย้อนรับข้อจํากัดว่าเรามีกําลังวังชาน้อยลงนะเราอาจจะมีบริษัทบริวารน้อยลงนะเรามีเวลาเหลือน้อยลงการยอนรับข้อจํากัดเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขไดง่ า, งายนะกับสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยรู้จักหาความสุขจากปัจจุบันเนี่ย อันนี้มันจะทำให้เราสามารถจะมีความสุขได้ง่ายแต่ขณะเีกันพูดอย่างนี้เนี่ยมันยังไม่พอเราก็ต้องยอมรับว่าข้างหน้าเราเนี่ยนะในเมื่ อ, อ, อจุดหมายเราไปถึงแล้วแต่ว่าปลายทางเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งจุดหมายปลายทางมันทีมอันเดียวกันนะ แต่ว่าสำหรับชีวิตแล้วจุดหมายก็ไปทางคนลอันนะจุดหมายชีวิตเนี่ยก็ไปทางชีวิตคนละอันนะหลายคนถึงจุดหมายชีวิตแล้วนะพลเลือเองเนี่ยจุดหมายชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าปลายทางยังไม่ถึงนะแต่ปลายทางเนี่ยมันแน่ใช่ไหไอเรานี่ยถึงจุดหมายชีวิตแล้วนะเจ้าว่าจุดหมาจุดหมายชีวิตแล้วแต่ปลายทางเนี่ยมันยังมาไม่ถึงแต่แต่มันมาแน่เพราะในผู้ที่พูดเมื่อเมื่อ เมื่อตอนเย็นเนี่ยก็คือเราต้องต้องระลึกเอาไว้ว่าชักวันนึ่งมันก็ต้องมามันอาจจะไม่ได้มาอาจจะมาด้วยความเจ็บความป่วยก่อนเสร็จแล้วก็ความตายเพราะนั้นเนี่ยมีความสุขกัปัจจุบันไม่พอต้องเตรียมตัวสําหรับปลายทางข้างหน้าเตรียมตัวสำหรับอนาคตคนหนุคนสาวเนี่ยเขามุ่งสร้างอนาคตใช่ไหมแต่สำหรับพวกเราเนี่ยนะมันต้องเตรียมพร้อมสาหรับอนาคตมากกว่า เราไม่อยู่ในวัยที่ไปสร้างอนาคตแล้วนะอันนี้พูดถึงเรืองส่วนตัวนะมมนวแต่ว่ามันเป็นวัยที่เราต้องเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตย่ไไีอนาคตในที่นี้คือเนี่ยความความเจ็บความป่วยความชาราแล้วก็ความตายมาเตรียมพร้อมอย่างไรเนี่ยเอออันนี้ต้องคิดต้องคิดเผื่อไว้คือไม่ต้องพูดเรื่องความตายกันนะเอาเอาไปว่าเนี่ยถ้าเกิดเราป่วยเนี่ยเราจะเตรียมพร้อมอย่างไรนะหลายคนก็ ทำประกันภยัยเ้าาอันนี้ก็เป็นการเตรียมพร้อมอย่างหนึง่งแต่ว่ามันต้องมีมากกว่า น, นั้นนะความเตรียมพร้อมอย่างหนึ่งนะที่จะต้องคิดกันนะก็คือว่าหากว่าเราป่วยและเราอยู่ในภาวะที่เราไม่สามารถตัดสินใจได้คือโคมา่าใช่ไหมแล้วแถมยังอยู่ในระยะสุดท้ายด้วย คือโคมิดบางอย่างเนี่ยมันฟื้นได้เช่นอุบัติเหตุนะโคมิดใช่ไม่มปั้มไปทําอะไ ร, รสักพักฟื้นขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าป่วยแบบไปเพื่อว่าเป็นโรคที่มันเป็นโรคเกี่ยวกับเดือดรังหลอดหัวใจไตวเบาหวานหรือว่ามะเร็งเนี่ยนะไอ้พวกนี้มันมีแต่ประยะท้ายพัฒนาไปสู่ระยะท้ายแล้วสมมุติว่าถึงจุดที่เราไอช่วงที่เราตัดสินใจได้เนี่ยมันมีปัญหาเราเลือกได้ว่า เราจะยืดหรือไม่ใช่ไหมแต่พอเราโคม่าแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรอนนี้เป็นปัญหาหลายคนมากปัญหาหลายคนคือว่าสมมุติพ่อแม่เนี่ยโคม่าแล้วลูกนี่จะทำยังไงอ่ะส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยคือทาเต็มที่แล้วทาเต็มที่ของเขาคือว่าทุกอย่างนะถ้าหัวใจอยู่เต้นปั๊ม ถ้าหัวใจไม่ทำงานกระตุ้นความดันถ้าหายใจลำบากใส่เอาเครื่องเอาเจาะคอใส่ท่อใช่และพ่อแม่หลายคนนะก็ปวดทรมานหลายคนเนี่ยอันนี้ลูกบอยนะพ่อแม่ส่งสายตาส่งสายตาวิงบอลบอกว่าปล่อยไปเธอปล่อยไปเธอแต่พูดไม่ได้แนละ้วเพราะว่าเซมิคอนเชสเซมิโคม่าหรือว่าเซมิคอนเชสคือว่ารู้ตัวบ้างนิดหน่อย หรือว่ามันพูดไม่ได้เพราะว่าถึงพูดไปลูกก็ไม่ฟังเพราะในยามคนไทยเนี่ยเลยถือว่าเมื่อคนป่วยแล้วเนี่ยคนป่วยไม่มีสิทธิ์แล้วใช่ไหมคนป่วยมีสิทธิ์เท่ากับเกือบศูนย์เลยโดยเพราะถ้าป่วยหนักใช่ไห ม, มไอ้คนที่ดูแลนี่แหละที่จะมีสิทธิ์มีเสียงซึ่งไม่เหมือนเมืองนอกเมืองนอกเนี่ยคนป่วยเนี่ยเสียงใหญ่ที่สุดคนป่วยบอกว่าไม่ยือ้อบางทีเขียนไว้ตรงเนี้ยสัสกไว้ NR No resuscitation หรือว่า d n เ Do not r ูน u s c i t a t e ก็คือว่าไม่ต้องปัง๊มถ้าเกิดอยู่ในขั้สุดท้ายเขาก็เชื่อหมอก็ทำตาม mm hmm. แต่ถ้าเป็นคนไทย mm hmm. ก็จะถามญาติแล้วถ้าเป็นลูกเนี่ยลูกต่อบว่าไง mm hmm. ทำเต็มที่หมอทำทุกอย่าง mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. ยิ่งมีเงินเนี่ยยิ่ง mm hmm. เขาพบว่าเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยคนที่รวยมากเนี่ยจะตายทรมาทที่สุดเลยเอา <laughs> ใช่ไหม <laughs> เพรารลูกไม่อยากตายเนี่ยมีเงินเนี่ยใช่ไหไปวิชัยยุทธไปสมิติเว่เนี่ยถ้าไปสี่ราศเขาก็บอ ก, อ, อกกลับบ้านเลยละใช่ไหมแต่ถ้าไปวิชัยยุทธสมิติเว่ยเขาหมอเต็มที่ใช่หบางหลายครอบครัวเนี่ยหมดไปเป็นหลายสิบล้านแล้วใช่ไแล้วลูกก็ยังสู้บอกสู้ทุ่อไอขายที่ขายที่ดินนะให้เราเนี่ยก็ทรมานแต่เราพูดไม่ได้แล้วอันนี้ก็ต้องเตรมตัวนะว่าเออ ถ้าว่าเรามาถึงจุดนั้นเนี่ยอะไรบ้างที่เราจะให้หมอทําอะไรบ้างที่เราไม่ให้หมอทํ <c oughs> าอย่างหลวง่อ <c oughs> องค์เขียนเนี่ยท่านมารณภาพเมื่อปีห้าเจ็ดตอนที่ท่านป่วยหนักเนี่ยท่านท่านบอกเลยนะถ้าท่านถ้าท่านไม่สามารถตัดสินใจได้และป่วยหนักอยู่ในระยะท้ายต้องระยะท้ายนะนะก็คือตายแน่หนึ่งไม่ผ่าตัดใหญ่สองไม่ปั๊มหัวใจสามไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจกอให้พามา ตายที่วัดพอท่านเขียนมันสบาย ล, ลูกศิษย์นี่ไม่ต้องเถียงกันเลยใช่ไหมไม่ต้องเียงกันว่าจะยื้อไม่ยือ้อแล้วพระเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็ต้องยือ้อลุงพ่อครูเนี่ยท่านทําพิธีกรรมทุกอย่างละเอียดเลยนะว่าตายเนี่ยจะมอบศพให้ขอนแก่นให้ทําพิธีที่ขอนแก่นเจ็ดวันนะไม่ทำไมทาที่วัดนะให้ทําที่หมหาวิทยาลัยจะได้บุบญและวุ่นวายมอบศพให้ ใ ห, ให้แล้วก็ไม่มีพระราชทานเพลินสดเป็นพิเศษแต่ท่านไม่ได้บอกเลยนะว่าท่าลืมบอกหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าถ้าท่านไม่รู้ตัวเนี่ยจะให้ทําอะไรบ้างไม่ให้ทำอะไรบ้างอมตอนที่ท่านอยู่วัดอยู่วัดเอวัดดังวัดอะไรนะดังบุญโทษังบุญไทษปั๊บไล่ันบไหลหัวใจห ย, ยุดเต้นลูกศิษ ย, ย์ทำไงปั๊มปั๊มไม่ฟื้นนะไปโรงพยาบาลหมาละปั๊มอีกก็ดูหักแทงปอด ใช่ไอยุเกาสิบกว่าเนี่ยปั้มทำไม <S 2> <S 2> <S ใช่ไหมอายุเกาสิบกว่าปั้มทําไมใช่ไหมให้ตายสงบเลยแต่ไม่รู้ว่าท่านบอกหรือเปล่านะคือถ้าเนี่ยถ้าท่านคือก็ควรจะบอกให้เฮียเรียว่าแค่ไหนที่มันจะพอใช่ไหมไอ้ น, นี่เราคิดว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่ความหมายของคำ ว, ว่าเตรียมตัวสําหรับอนาคตด้วยใช่ไหมคือถ้าเรายังตัดสินใจได้นะโอเคเราก็สามารถจะ ว่าไปตามประสบการณ์ของเรามีเงินเท่าไหร่เราก็ว่าไปตามนั้นแต่ถ้าเราไม่รู้สึกตัวแล้วเนี่ยมันจะบังคับให้มันจะบัง ค, บบงคับโดยปริยายให้ลูกหลานเนี่ยต้องทําเราเต็มที่ใช่หไหมทุกก็ทุก mm hmm. เงินทองก็ไล่หล้อหมดไปเรื่อยๆนะอันเนี้เป็นเรื่องนึ้งที่ที่ที่ตอนนี้ตอนนี้เราก็พยายามรณรงค์นะเพราะตอนนี้ทําเรื่องเกี่ยวเรื่องผู้เปิดและสุดท้ายเีก็พยายามรณรงค์ให้คนให้คนเนี่ย ก็เรียกว่าทำลิฟวิ่งวิวหรือว่า<ม>แสดงเจตจำนงล่วงหน้า<ม>ว่าแค่ไหน<ม>ถึงจะเอาแค่ไหนไม่เอาอันนี้เรื่องเรื่องเตรียมตัวเรื่องป่วยนะ<ม>เตรียมใจก็สำคัญเตรียมใจนี่ก็พูดไปแล้วนะที่ที่ศาลาต้องเตรียมใจไว้แลเตรียมใจหนึ่งคือต้องรู้จักปล่อยวางเมื่อกี้ได้บอกไว้นะที่ที่ที่ศาลา ว, ว่าคนเราเนี่ย ไม่ได้ยึดติดเฉพาะสิ่งที่เรารักเราไม่ได้ยึดติดเฉพาะสิ่งที่ให้ความสุขกับเรา mm hmm. เช่นทรัพย์สมบัติ mm hmm. เงินทองพ่อแม่สามีภรรยาหรือลูก <c oughs> หรือหลานไอ้พวกนี้เนี่ยก็พอแรงอยู่แล้วนะ mm hmm. เพราะว่ามันทําให้คนตามไม่สมกับเพราะว่ามีความหวงนะหวางไม่ได้ไอ้ที่มันแยกกัานั้นคือปล่อยคือสิ่งที่สิ่งที่ยึดก็คือสิ่งที่มันทําความทุกข์กับเรา เช่นความเจ็บปวดความโกรธความรู้สึกผิดนะแล้วก็ความกลัวไอนะ้พวกนี้เนี่ยมันน่ายยึดที่ไหนใช่ัหมมันน่ายยึดแต่คุณก็ยึดใช่ไปวดเนี่ยเวลาปวดเนี่ยปล่อยวางความปวดไม่ได้โวหทรมาล้อนะฮะยิ่งสมัยนี้เนี่ยแม้ว่าจะมี มอฟีนนะแต่มันก็หลายครัง้งเอาไม่อยู่จะให้หมอฉีดมอฟินทุกชั่วโมงหมอก็ไม่มีใครทำให้อย่างมากก็สามชั่วโมงเข็มหนึ่งทุกสามชั่วโมงถ้า ต, ตอนทรมาร์สนะส่วนใหญ่ก็โอ้รวยแค่ไหนก็ก็ก็ช่วยอะไรไม่ได้ตรงนี้ต้องทำใจเลยต้องฝึกใจไปด้วยฝึกใจที่จะปล่อยวาง ความปวดซึ่งมันเป็นต้องเป็นเรื่องที่ต้องฝึกจริงๆเนี่ยนะก็ต้องก็เป็นการเตรียมตัวอีกอย่างหนึ่งนะสําหรับอนาคตนะเพราะว่ามันต้องส่วนใหญ่มันจะเก้าสิบเปอร์เซนต้องเจอแน่กี่สิบเปอร์เซนคือเจอระเบิดเจอเจออุบัติเหตุอรถเครื่องบินตกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเจอเรื่องพวกนี้แต่เก้าสิบเปอร์เซนตต้องเจอความความเจ็บปวดยืดเยื้อ ปิดใจให้ปล่อยวางความปวดทำไงครับใช้สติใช่สมาธิแต่ว่าตอนนั้นมันปวดยูเออมันทำได้อ่าจุกตัวอย่างนเนะะอันนี้คุณหมอมาามาลีลักระไรฟังไปเยี่ยมไปเยี่ยมคนไข้คุณเป็นอาจารย์แพทย์สีสกวา่าเนี่ยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายลามเปน็นกระดูก ปวดมากนอนไม่ได้นะนั่งก็นั่งแบบงอกอ ง, งอขิงหมอก็ให้หมอฟรีทุกสามชั่วโมงแกบอกไม่ไหวขอขอที่กว่านั้นหมอให้ไม่ได้เพราะมันไปกดมันไปกดการหายใจใช่ไหมทรมานตัวซีดเหงื่อเนี่ยไม่ตโตคุณหมอเมาราก็ถามว่าคือแกไม่ค่อยแ ก, แกไม่รู้จักกับกับหมอกับผู้ปว่วยคนนีนะ้แต่ว่ามีคนแนะนำให้ไปหา เคยทำสมาธิไหมไม่เคยงั้นเดี๋ยวหมอจะสอนให้นะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรให้จิตในกำหนิดที่พุทโทรตรงปลายจมูกบริการพริจาพุทโทรทีแรกเนี่ยหมออเมราคิดว่าแกคงทำได้สัก5้านาทีเพราะว่าปกติคนนั่งสมาธิ5นาทีก็ไม่ไหวแล้วฟุ้งซ่านแอ้ยิ่งนี่ปวดด้วยเนี่ยห้านาทีแกก็ยังนั่งสิบนาทีแกก็ยังนั่ง ยิ่งนั่งยิ่งดีนะเริ่มนั่งเรตัวเริ่มตรงเนระิ่มผ่อนคลายแกนั่ง45ทีพอแกลืมตาขึ้นมาสีหน้าก็แจ่มใสปากเป็นสีชมพูนะความปวดทุเราลงไปเยอะเลยคนไข้แปลกใจมากเลยหมอเราก็แปลกใจหมอเรลาถามว่าแ ก, แกไม่เคยนั่งสมาธิเนี่ยแล้วไมแกทำได้นานคนไข้บอกว่าแก มีสมาธิกับการทํางานนะไอสมาธิกับงานกับสมาธิกับลมหายใจก็ตัวเดียวกันแหละแต่ประเด็นนี้นี่เป็นตัวอย่างนะว่าเนี่ยคนคนเราเนี่ถ้าถ้าเอาจิตมีที่ลมหายใจเนี่ยอย่างแรกที่เกิดขึ้นก็คือมันรู้ปวดคือจิตนี่ถ้าปล่อยไว้เฉยๆใช่ไหมมันก็จะไปจับอยู่ที่บริเวณที่ปวดที่ท้องที่กระดูกหรือที่หัว แต่พอเราดึงจีมยุงเนี่ยมันลืมปวดมันก็เหมือนกับเราอ่านหนังสือแล้วมียุงกัดเราแต่เราไม่รู้สึกว่ายุงกัดพเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้จดจ่ออยู่กับตรงบริเวณที่ปวดหรือว่าเคยเคยเคยเปว่าตอนหนุ่มๆเนี่ยวัยรุ่นเนี่ย นั่งหลังคนหลังแข่งทั้งคืนเลยไม่เคยครับมเคยจะล้อันบ้านไม่เคยนั่งหลคนหงแข่งเลยไม่ปวดไม่เมื่อยเลยนะนั่งทั้งคืนเลยเนี่ยไม่ปวดไม่เมื่อยเลยนั่งทั้งคืนเลนี่ยนะคไม่ปวดไม่เมื่อยเลยเพราะว่าไม่รู้สึกปวดเพราะอะไร มือเนี่ไอ้พมันสนใจอยู่ภายในมือนะเล่นดุเล่นเคยเป่าเยเล่นไพเปนเดีครับเคยพููภาษาครับเคยอเงี้ยถามว่าร่างกายมันปวดไ้มปวดแต่ใจไม่รับรู้ใจไปจดจ่อยที่ไพ่ครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากไพ่มาเป็นลมหายใจอันนี้นี่คือลืมปวดสองเนี่ยเขาบว่าพอเราพอเรามีสมาธิเนี่ยนะ สมองเนี่ยมันจะหลั่งสารบางตัวออกมานะโดพามีนเซโรโทนีนนะเนี่ยเป็นพวกในนิวโรโทนสปิเตอร์คือสารสื่อประสาทมันจะส่งมาเนี่ยแล้วมันก็จะมาจากสมองเนี่ยมันก็มาตามมามาตามไข้ทารางเนี่ยปวดปวดท้องปวดที่มือใช่ไหมไอความปวดสัญญาปวดนก็มาที่มือจากมือมันก็มาใช่ไหมมาเนี่ยมันไม่ทันถึงสมองนะมันเจอพวกไอโดพามีนเซโรโทนีเนี่ย เดี๋ยวว่าสลายทำให้ปวดเล็กน้อยนะเพราะฉะนั้ น, นอันนี้เป็ น, ปนมันไม่ใช่แค่อุปทานนะมันรู้สึกหายมันรู้สึกปวดนอ้อยลงจริงจริ ง, รงอันนี้เป็นเรื่องของสมาธิไงคือเห็นถ้าเราฝึกสมาธิไว้เนี่ยมันก็ช่วยทำให้วางความปวดได้ว่าแต่ห้านาทีนาทีผมไม่ น, อน้อยลองฝึกดูึ ก, กมตลอดนะครับแต่ไมหลุดอะหลุดหลุดก็ไม่เป็นไรไง ธรรมดาอย่าไปค่าว่าไม่หลุดมันหลุดก็หลุดแต่ว่ากลับมากลับมาหลุดไปเรื่อยๆพอพอได้ยินคนก็นั่งมันได้เกลื่อหน้าดีโบอเฮ้ยทำยังไงบอกกันดีก็เขาเขาเาไม่ลำไคลอาการที่มันหลุดเนี่ยหลุดก็ชั่งมันชั่งั่งช่ง้าๆปีนี้ก็หลุดหุแล้วหลุดดีกว่าแน่นอนช่างมันช่างมันไงเราก็ป่อยวาดนานีสุดเท่าไหร่ะพี่ได้นานสุดเท่าไหร่ ก็หลายชั่วโมงแต่ไม่น <c oughs> <laughs> ั่งสมาธิน hmm. ั่งนั่งย่อ oh ุส huh. ร้างจังหวะนะหลายชั่วโมงนั <associate> yeah. ่งท <BC ll ation> <out influence> ั้งคืนได้เจอสติเจอสติรู้สึกตัวอ๋อครับอันนี้การใช้สมาธิทำไมครับสติองเป็นเมื่อก่อนเป็นเด็ตุิไม่รู้ว่าทางทางหลวองเขียนจะสอนอย่งไรก่อนอ่าคือหรวงพ่อหเขียนันันใช้สติให้มาดูความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดเห็นมันแต่ไม่เป็นผู้ปวด อันนี้สูปก็คือนียไอายการเตรียมพร้อมสันาคนเนี่ยนะมันมีหลายมิติอย่างน้อยที่อยากจะอยากจะฝากเอาไว้เนี่ยนอกจากเรื่องประกันภัยเรื่องอะไรแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดว่าถึงจุดที่เราโค ม, มา่าไม่รู้สึกตัวแค่ไหนที่เราอยากจะให้ทำนะแล้วก็เตรียมใจฝึกใจไว้ น, ะ น, นี่พอแล้ว รหลวงพ่อหลวงปู่หลวงพ่อเทียนเป็นผูอใจของหลวงพ่อคนเขียนใช่ล่เทียนท่านท่านท่านปฏิบัติแบบนี้เริ่มต้นไล้นะครับแล้วท่านมาจากสายไหนก่อนจริงๆเนี่ยคือแนวการปฏิบัติพื้นฐานคืสติปัญญาสี่แต่หลวงพ่อเทียนมามาประยุกให้เป็นการยกมือแทนที่จะหลับตาตามลมหายใจ ไม่ได้มาสายพกรมั่นแ่นไม่ใช่คนละคนละคนละสายต้งสายวัดป่าทอยุทธอันนั้นคือมั่นป่าแลวอย่างนี้เาเรียกว่าสงสายวัดป่าเหมือนกันไม่นี่สายมันเป็นมันเป็นอีกสายนึงเลยอีกสเิสติแบบเคลื่อนไหวแล้วแล้วอย่างแบบพระพุทธทาส่ะก็อีกสายหนึ่งอีกสายนาปากสติานาปานสติําริใจยกมือี่นี อ, อ, อคือจริงๆเนี่ยยกมือมันแค่รูปแบบนะนะยกมือเนี้ยก็สิบสี่จังหวะนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเหลือให้แค่นี้ก็ได้ให้รู้สึกตัวแล้วระหว่างที่ทำนี่คือใก็ให้รู้ตัวให้ให้ใจก็อยู่ใจก็มารับรู้ว่าใจกลับมาอยู่กับตัวใจมารับรู้ว่ามือเคลื่อนไหวอครับแต่ไม่ต้องเพลงไม่ต้องเพลง แค่รู้ว่ามือมถนยืดขยับก็พอนะเพราะถ้าเพ่งนี่มันจะมันจะมันจะเครียดได้ง่ายก็แค่รู้ตัวเดี๋ยวมันก็แวบไปรู้ตัวกลับมาใหม่คือสร้างความรู้สึกตัวเป็นการประโยน์เพื่อสร้างความรู้สึกตัวตอนแรกที่ทํายังไงมันเกิดได้เป็นชั่วโมงจากขั้นแรกแรกที่มันหลุดบ่อยๆแล้อนหงอ๋อมันก็ยังหลุดแต่ว่าเราก็รู้ทัำรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางเราก็ไม่ลำพังกับมันคือเราวาง เราไม่เราไม่รู้สึกรำคาญกับการที่มันจะหลุดไปน่ดไปนี่แล้วที่ช่วงที่นานที่สุดที่ต่อเนื่องโดยที่ไม่หลุดนี่ประมาณเท่าไหร่ครับไม่รู้แต่ประมาณเลยประมาณโอผมก็ได้ตั้งเป็น milestone หว่าครึ่งนาทีนาทีนึงมั้งเออครับเออแค่นั่นแหละแต่มันจะมันจะมันมันหลุดแล้วมันพุ่ดเดียวมันกลับไงครับพุ่ดเดียวกลับมาปกติหลุดแล้วไปยาวเลยแต่เราเนี่ยรู้กลับมากลับมา วัฒรธรรมค่ะเคยเคยปวดท้องไส้ปิ่งค่ะจะรอผัาตัดก็กำหนดพุกโทก็ไม่อยู่ค่ะ hmm. ทำยังไงก็ไม่ไหวทุรดทุรายมากบางที่เคยเคยปฏิบัติเคยสนใจทางดีมา hmm. ก็รู้อยู่ว่าก็แผ่เมตตาก็แล้วเรียกหาเจ้ากรรมนายเวรขออโหสิอะไรกปวดทรมานอยู่อย่างนั้นก็ทำไม่ได้ hmm. อันนี้สงสัยข้อที่หนึ่งอีกข้อหนึ่งที่เคยรู้มาว่า ก่อนจะตายอะค่ะต้องให้จิตอยู่กับพุโทโธถึงจะได้ไปเกิดในที่ดีแล้วทีนี้ใ น, นเมื่อเราอยู่ในขั้นโคม่าแล้วเราไม่รู้สึกแล้วเนี่ยนะเราจะพุโทโธได้ยังไงแล้วเราก็ต้องตอนนั้นทุกคนก็ต้องลงไปอยู่ยที่ไม่ดีหมดเลยล่ะฮะทั้งที่ทําดีมาตลอดอย่างเงี้งสยสงสัยสอนไม่เป็นไปต้องพุโทโธหรอกประเด็นสำคัญคือว่าจิตมันส ง, งบจิต<ร>จิต<ร>จิตเป็นกุศลเราไม่ข้างนอกเนี่ยในขั้นโคม่าแล้วอย่างเงี้ย คื อ, อเอาจิไปอยไอย่าไปคิดว่าคนโคมา่าเขาไม่รู้ตัวเขารับรู้ได้พี่อยู่ในภาวะช็อกนะฮะคนที่โคม่าหลายคนที่ฟื้นขึ้นมาเขาบอกเขาดีนหมอพูดเขาดีนพยาบาลคุยเพื่อตามานเนี่ยไปที่โรงพยาบาลรักษาแล้วเกิดแพ้ยาบวมทั้งตัวแล้วก็ชอ็อกรีพาส่งไอซู ตอนนั้นแกไม่สึกตัวนะแต่แกได้ยินพยาบาลพูดว่าหัวใจหยุดเต้นแล้วชีพจรจับไม่ได้ดีีต่ำมากแปลว่าอะไรตอนนั้นแกตอนนั้นคือตายแล้วทางการพากแพทย์ก็เรียกคลินิคคลินิคเดแต่แกได้ยินและแกไม่ปวดด้วยแกมาปวดตอนที่ฟื้นขึ้นมาแล้วโอ้ปวดคอมากเลยเพราะว่าใส่ท่ออะไรไม่นี้ มีคนหนึ่งหัวใจหยุดเต้นนะแกวัดเป็นการหัวใจหยุดเต้นครั้งที่สองแกตอนที่หยุดเต้นครั้งแรกเนี่ยแกบอกหมอว่าถ้าหยุดเต้นอีกไม่ต้องปัม๊มแต่แกหัวใจแกตอนที่แกหยุดเต้นครั้งที่สองเนี่ยหมอเจ้าของใครไม่อยู่เด็กเนี่ยก็ไปเด็กที่ดูแลแกเนี่ยก็ไปเรียกหมอพยาบาลมาปัม๊มพอแกรู้สึกตัว วันรุ่ขึ้นแกก็เรียกลูกเล็กหลานมามาด่ากูว่ากูจะไปสบายแล้วเชียวพวกมึงเรียกกูกรัมาอีกตอนนี้หัวใจเต้งแกเห็นตัวเองเนี่ยอยู่มึงก็อยู่บนเทดานเห็นมองตัวเองเนี่ยลงมาเห็นเด็กวิ่งไปไปเรียกเห็นคนมาปัม๊มตอนนั้นแกบอกแกสบายมากเลยแกรู้สึกสบายไม่มีความเจ็บความป่วยเลย แล้วแกคงดีใจนะถ้าเกิดะไปตอนนั้นนะแต่พอมารู้ยังไม่ตายโอ้โหเสียใจนเพราะนี่ยเราบอกว่าเราบอกว่าคนโคม่าเนี่ยเขไม่รับรู้อะไรจริงไม่ใช่เขรับรู้ได้เพียงแต่เขาไม่ตอบสนองให้เราเห็น <ผม S 1> ใช่ไหมว่าตอนนั้นก็ถ้าถ้าเราก็ไม่รู้ว่ า, าโคม่าหรือเปล่าเห็นไหมเพียงแต่เรารู้ว่าเราไม่ตอบสนองกับแต่เราสิ่งกระตุน้นข้างนอก ในกรณีคนที่หัวใจเต้นเก็เห็นตัวเองถูกปัําเนี่ยเขารู้ว่าเขาถูกปั๊มเมื่อจังหวงนะนั้นเขาควรจะคิดในเรื่องอะไรที่จะทําให้ถ้าเกิดเขาเขาไม่ร อ, อดนะครับอ๋อช้ า, า, ถ, าถ้านึนนนนกก็มีแค่สองอย่างนะนึกถึงพระแล้วก็รักทุกสิ่งนึกถึงพระนี่ไม่จำเป็นต้องพุทโธนะนึกถึงนึกถึงเจ้าแม่กวนอิมนึกถึงพระพุทธเจ้าสิ่งที่เราทำดีๆอย่างนี้นความดีด้วยทํรวมทั้งความดีด้วย นึกถึงพระไม่ไม่ต้องพุโทโธ<ม>ใช่ไหมแต่ว่านึกถึงความดีที่เราได้ทํานึกถึงพระที่เรานักถือและสองละทุกสิ่งปล่อยวางทุกอย่างทำสองอย่างเนี่ยละทุกสิ่งหมายถึงไม่ห่วงไม่อะไรปล่อยวางทุกอย่างปล่อยวางทุกอย่างแล้วทีนี้เราจะจะลืมความเจ็บ ป, ปวดได้ยังไงคะตอนนั้นน่ยตอนโคม่าเนี่ยโคม่าไม่จะไม่ปวดี่จะรอตอนตอนที่ ปวดท้อง ม, กมากๆที่จะรอผ่าตัดไส้ติ่งนะคะ ม, มันกำหนดไม่ได้เลยค่ะทรมานมันมีความรู้สึกอันเป็นพื้นฐานนะคือการที่เราไม่ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอพอเราไม่ยอมรับเนี่ยนะมันจะทุกข์มากทรมานมากพอถ้าเกิดว่าเรายอมรับว่ามันเป็นธรรมดาเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะหลายคนเนี่ยที่เขาที่เขาทรมานหลายหล้วคนที่เขาปวดมากเนี่ยพอเขายอมรับเออนะ ไม่ต้องผักใสไม่ต้องไปไม่ต้องไปต่อสู้กับมันส่วนใหญ่เนี่ยพอเราเจอความปวดเราจะพยายามจิตเราพยายามจิตเราจะต่อต้านเราจะผักใสแม้จะพุโทโธพุโทโธเนี่ยแต่ว่าใจเบื้องลึกเนี่ยมันต่อต้านผักใส่นะโอ้ม่นมีคนที่เขามามีคนที่มันมีคนที่เขาสามารถใช้ใช้ใช้เรื่องจิตเนี่ยมามาจัดการกับความเจ็บปวดได้มีรายหนึ่งน่าทึ่งมากเลย เขาเป็นโรคพุ่มพวงเต่อายุสบสองแล้วตอนเขาเปประสบการณ์ที่ไม่ดีกับหมอตอนที่ไปตรวจเขาฉีดยาเข้าส้อนหลังเนี่ยก็ปวดมากหลัอองจากนัน้พอเขาเขาเจอเข็มฉีดยาเนี่ยเขาจะเขาจะตกใจนะเขาจะร้องแล้วบางทีเขาเป็นลมเห็นเข็มไม่ได้นะจนกระทั่งไปเจอหมอคนหนึ่งนะหมอหมอซูมาลีแกเป็นหมอที่สิริราชเสียชีิไปแล้วหมอซูมาลีเนี่ย เป็นหมอด้านลรคไตไอเด็กคนที่ไป็นพุ่มพลนี่มีปัญหาเรื่องไตด้วยแกก็พยายามที่จะให้เด็กเนี่ยนะมารู้มารู้ทันความกลัวของตัวเมื่อกลัวเนี่ยกำมากลับมาตามดูรู้ทันนะพาไปเจริญสติจนระทั่งใจเห็นความกลัวเกิดขึ้นแล้วแกก็วางตอนหลังเนี่ยนะ นี่ผู้สันๆตอนังเนี่ยโดนเข็มฉีดยาเนี่ยเข็มใหญ่แค่ไหนแกก็ไม่กลัวแกก็มองเข็มเนี่ยต่อมาเนี่ยแกต้องเปลี่ยนไตต้องผ่าตัดเพราะว่าแกแพ้แกแพ้ยาลา ง, ลงับปวดแกบวมเลยหมอให้ไม่ได้ก็เป็นว่าจะต้องเลิกผ่าแกบอกหมอขอพัลลาสองเมตรแล้วแกก็ภาวนาพุโทโธพุโทโธจนกรทังหลับไปแล้วผ่าได้ เ น, นี่ยผา่าจะไม่ใช้ยานะเป็นเป็นกรณีคลาสสิกมากนะจากคนที่กลัวเข็มจนเป็นลมนะจนกระทั่งพอโดนขีดพอโดนผ่านี่ขอพ่ารักสองเป็นไนะเพราะงัจริงๆมันไม่อที่มันมันคนต้นองนี้ถืวอว่าต้องต้องพรต้องฝึกให้มากขึ้น แ, แล้ววางใจให้ถูกที่มาเตรียมตัวตายเนี่ยนะคะฝึกตั้งแต่ปฏินัติต้องฝึกให้เป็นภาวนาพุโทโธบางทีเร า, า จ, จะ อาจจะยังภาวนาะไม่ถูกก็ได้เพราะใจเรายังมีความรู้สึกต่อต้านผักสายความความเจ็บความปวดใจเราไม่วางจริงลงพี่มีโครงการเกี่ยวกับเตรียมตัวเผชิญความตายนะครับอข อ, อรายละเอียดให้เพื่อนๆฟังบ้างไหมครับว่าต้องทำอะไรบ้างครับโครงการนะโครงการนะครับอ๋อตอนนี้มันมีการอบรมแล้วสอนอะไ ร, ระเผชิญความตา ย, าตายอย่างสงบ ทำมาตั้งแต่สี่เจ็ดแล้วเนี่ยก็ทํามาปีละสิบกับครั้งอบรมนะอาจารย์ก็เคยไปนะก็ทํามาก็ก็เข้าคนก็มาเข้าคอเนี่ยแล้วก็หลายคนก็เป็นมะเร็งก็ก็มาเข้าคอบางทีก็มาไม่พวไปที่โรงพยาบาลก็จัดก็จัดแล้วก็ที่จัดหลายที่เช่นจัดแถว นราสุรุกไปจัดที่สวนธรรมประปุมก็เข้าคอร์สคนละสี่สิบครั้งละสี่สิบคนสามวัน mm hmm. มันมีหลายคอร์สมันเยอะมากเนี่ยี่ธรรมจันทนะอย่างเช่นเดี๋ยวต้นเดือนนี้ mm hmm. จัดสี่วันที่ที่โคราชอีกสองอาทิตย์จัดห้าวันที่เชียงใหม่ เมื่อสอนที่ีจร่ไปจัดเจ็ดวันที่ใช้ชุมพรไอชุมชุมพรไอตอนที่นาโทษวอ่ะบางสะพานอ่ะ <N DA> ข้ามผันานบักสะพานไปได้ยี่สิบนาทีเนี่ยถนนขานเลย <N DA> อันนี้ก็เป็นงานหนึ่งนะนนตอนนี้ก็ที่ทำมนันนึงก็คือสมุดเบาใจรัวใจเนี่ยเป็นสมุด ท, ที่เขียนเอาไว้สำหรับบอกความบอกบอกเจตนาของเราว่าที่พูดเมื่อกี้เนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเรา โคม่าเราไม่รู้สึกตัวเราอยากจะให้หมอทำอะไรไม่ให้ทำอะไรทำเห้สมุตร mm hmm. ว่าอย่างนี้โอเคอย่างนี้ไม่เอาแล้วก็มีการอบรมมีการบรรยายมีการจัดอีเวนท์หลายอย่างวันที่หนึ่งสองมิถุนาไปจัดอีเวนท์อยู่ที่ศูนย์เศรษฐกิจมิถุน า, นา mm hmm. ทำหลายอย่างเพื่อให้คนเนี่ยได้รู้ว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดา ไม่น่ากลัวอืทําไมคนก็กลัวครับความตา ย, ย, าตายเพราะว่าความตายหมายถึงความสูญเสียทุกอย่างคนเราเนี่ยมันไม่ยอมคนเราเนี่ยกลัวการสูญเสี ย, สสยและยิ่งที่กลัวการสูญเสียเพราะมีความยึดติดยึดติดถือมั่นไม่เป็นทรัพย์สมบัติไม่เป็นคนรัก รวมทั้งความสุขที่เรามีและที่จะมาคือตัวตนเนี่ยวงแหนเพราะเราคิดว่าถ้าตายตัวตนี่ดับโซ่อย่เหมือนโกนั่นนึตากลัวะกลัวเจอมืออีกกลัวจะได้ให้ยกอะไรให้เอา่อนตัดตมไม่ต้องกลัวเจอแน่คือความตายเนี่ยหนึ่งความตายนึ่ากลัวเพราะกลัวการพับพลาดสองความตายหมายถึงความเจ็บปวย คนกลัวมากเลยบางคนบอกว่าไม่กลัวตายแต่กลัวเจ็บปวดความตายมายถึงความไม่แน่นอนว่าไปเจออะไรนะคนเรากลัวว่าจะไปเจออะไรว่าฮะแล้วมันจะไปเจออะไรแล้วแต่กรัมแล้วแต่กรัมนะครจากการเช่าจะเป็นเช่าเพราะเราเชื่อต้อต้องมีสุขติและทุกขติแล้วทํายังไงถึงไม่กลัวตายครับ นึกถึงความตายบ่อยๆนึกถึงความตายบ่อยๆนึกถึงความตายบ่อยๆบ่อยๆคือเราเรากลัวในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยใช่ไหมหลายคนกลัวกลัวป่าหลายคนไม่กล้านอนคนเดียวเพราะไม่คุ้นเคยพอมาป่าบ่อยๆพอนอนคนเดียวบ่อยๆมันก็มันคุ้นมันชินก็ไม่กลัวหลายคนกลัวพูดจะที่สาธารณะใช่ไหม วัวพูดต่อหน้าฝูงชนก็ต้องไปพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆมันก็หายกลัวแต่ว่าความตายเนี่ยเราไม่สามารถจะทำเมือง การพูดในที่สาธารณะได้เพราะว่าพูดในพูดนที่สาธารณะพูดได้หลายครั้งแต่ตายเนี่ยเราตายครั้งเดียวแต่เราก็ก็ซ้อมตายเนี่ยซ้อมตายบ่อยๆก็เยเจอมา้เเมียเมียก็เพราะไม่รู้จักเมียดีพอผมเรียนแบบสวดทุกอย่างคือต้องนึกบ่อยๆให้มันคุ้นมันชินใช่ไหะ อีกอย่างนึงก็คือว่าเรากลัวตายเพราะเรายังยังมีอะไรบางอย่างที่ยังค้างค า, าอยู่ยังไม่อยากตายเราก็ทำํำมันเสร็จเรากลัวตายเพราะเรามีความยึดติดในสิ่งที่เรามีก็พยายามฝึกปล่อยฝึ ก, ฝ, กฝึกวางใช่ไหมเรากลัวตายเพราะกลัวเจ็บป่วยก็ลองอยู่กับความเจ็บความปวดดูเห็นผมไม่กลัวตายนี่ประหลาดนะครับไม่ประหลาดานะควเหรอทไม อ๋อก็บางคนเขาฝึกมาดีๆเขาก็ไม่กลัวผมไม่ได้ฝึก อ, อ, อผม ม, มองว่าความตายนี่มันเป็นเหมือนกับทางดิฉันนั่นหนึ่งที่จะให้เราไปสู่อีกสเต็ปหนึ่งสเต็นั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คนดีไปบอกคนอนื่นแล้วเขาจะไม่เข้าใจเขาก็จะกลัวความตายกัน <c oughs> แต่ผมมองว่ามันเป็นแค่ทางผ่านเฉยๆก็เลยเฉยๆอย่างยังพออย่างจนยังพอเราไม่ไม่หวงไม่แหนเนี่ยไม่ห่วงใช่ยหมไม่ห่วงอยู่ครับเพียงแต่ว่า มันอยู่ที่มุมมองครับผมมองว่ามันมันเป็นเหมือนเราตอนนี่รอขึ้นเครื่องก็ไม่รู้ความตายข้างหน้าคืออะไรเราก็ดูว่ถ้าเกิดไปแสดงว่าเราเปลี่ยนสถานะจากการเป็นตัวตนเนี่ยไปเป็นอีกแบบเลยจริงๆมันเป็นเรื่องที่น่าติดเต้นด้วยซ้ำแต่ผมลอพอตื่นเไ้นไปแล้วเนี่ยอะไรนะถ้องลงไปข้างล่างไม่น่าตืเต้นนี่แืออกประเด็นนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นเพราะไงมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่กันถ้าเกิดเรายังมีอยู่นะครับ แม่นสนใจครับแต่ทีนี้มันมีคนจํานวนนะที่เชื่อว่าพอตายก็ขาดสูนถูกรตรงนี้ยิ่งก็ทําให้หวันกลัวเพราะว่าจริงๆลึกๆก็ยังอยากจะมีความสืบเนื่องมีความต่อเนื่องของชีวิตนะการที่คนเรานี่มีความเชื่อว่าตายแล้วเนี่ยไปเกิดใหม่ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ตายแล้วไปพบพระเจ้าเนี่อันนี้มันก็เป็นการทําให้ยอมรับความตายได้ง่ายขึ้นเพราะคิดว่ามีคนเคยถามไหม ตายแล้วไปไหนถมใค่ะครับเขาถามบ่อยเห็นบอกกลัวตายกลัวตายก็ต้องสแนวข้างหน้าตายแล้วไปไหนตายแล้วไปไหนลสอนจริงนะลองลองดูถมวยมือดมัมีจริงแต่ว่าจองไปเท้า จองไว้สองที่เราเชื่อมีจริงแต่ว่ามันคงไม่ใช่อย่างที่เรานึกภาพเอาไว้ใช่ว่าน่าจะเป็นสภาวะที่มันเป็นเรื่องของสภาวะทางจิตมากกว่าสถานที่ไม่รู้เคยดูอินเซพชั่นรึเปล่าไม่ไงผมดูมามันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของสภาวะทางจิตมากกว่า คืออิเคชั่นเนี่ยคือมันมันเข้าไปในจิตใช่ไหมแล้วมันต้องไปไปเจออะไรความทุกข์ทรมารต่างเนี่ยอันนั้นเหมือนกันนรกไงอ่าอืมก็คือเรื่องที่ตรงนี้หมดเลยไม่ครับข้างในจิต้ทั้งหมดเลยแต่หมายถึงว่าสภาวะอะไรไม่ได้เปลี่ยนไปไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่สถานที่ก็นั่นหมายถึงว่าสมมุติว่ายังมีจิตวิญญาณอยู่ก็อาจจะอยู่ในสถานที่เดียวกัน แต่ดวงนึงก็คือทรมารอีกดวงนึงก็คือไม่ใช่สถานที่หรอกเรคิดว่าไม่รู้ลองหรอไม่ออาจจะเป็นมิติก็ได้อิเสปชั่นก็เป็นคำอธิบายหนึ่งว่าจริงๆ้ไอ้ความนรกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของสภาวะทางจิตใช่ไหมก็เหมือนคนนอนหลับแล้วฝันร้ายใช่ฝันเล่าถูกเสือกัดฝันถูกยิงเนี่ยถามว่าโดนเองรึเปล่าไม่โดน แต่มันทุกไหมทุกใช่ไหมก็คือฝะลายทุกคืนแน่นอนมันมันเออมันมันหนักมากเลยใช่ไหมนั <c oughs> น่นก็แปลว่านรกระหวา่างเตียงมีชีวิตยอยู่ก็เป็นไปได้โอ้โแน่นอนอยู่แล้วแต่นี่เราพูดหลังตายไงไอ้นรกนที่มีชีวิตยอยู่นี่อันนี้จริงพระเจ้าพูดนะว่ามีนรกมีนรกชั้นหนึ่งที่เรียกว่าฉะผัสสายตนณิกกันนรกคือนรกที่เกิดพูดง่ายคือนรกในใจสวัสนายโอ๋นรกในใจ นรกที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดผัสสะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงถูกดา่าไงีน ะ, อะโอหร้อนเลยขึ้นมาในใจหรือว่าเห็นเห็นเห็นเห็นภาพที่มันบาดใจไงนะโห้มันหรือภาพที่มันคับแค้นใจเนมันมันทุกข์มากเลยจะมาอันนั้นคือนรกที่เกิดจากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงหรือว่าใจคิดเอาฉ ะ, ะนี่คือหกใช่ไหมรวมก ใ, ใจด้วย แล้นคนที่ฝันร้ายเนี่ยนะมันก็คือใจเนี่ยมันไปรับรู้อารมณ์ที่ปูุแต่งขึ้นมาในทางเ็วร้อยแล้วมันก็เชื่อกจริงว่ามักรายาถูกฆ่าหรือว่ากระมังยาตายใช่ mm hmm. หไหม mm hmm. ตอนนั้นก็จะทุกข์มากแต่ร่างกายเนี่ยปกติใช่ไหมแต่ใจมันทุกข์อ่ะถ้าพูดถึงความฝันก็มีคนกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าความฝันเนี่ยจะบอกอะไรบางอย่าง ตรงมันจะใช่ก็ก็ก็เป็นก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้อ่แต่อย่างน้อยเนี่ยมันมันก็ใีฝันร้ายมันชี้เห็นว่าบางทีเราไม่ต้องเจออะไรที่มันมาทิ่มมาแทงใช่ไ่มแต่เพียงแค่ฝันว่าเจอถูกทิ่มแทงนี่มันก็มากพอที่ทําให้ให้เป็นทุกได้ผวาได้แต่ว่านรกเนี่ยบางทีอาจจะนรกหลังตาจะหนักกว่านั้นใช่ไหมคือมันเรียวมากเลยนะมันมันจริงมากตนกระทั่ง มึงรู้ว่ามันทรมานมากสมมุตินะผมผมเคยดูยูทูบที่ฝรั่งเขาเปสัมภาษณ์คนที่ตายแล้วกลับมาที่ทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดเลยว่าเขาลอยขึ้นไปแล้วเขาไปสู่อะไรรู้สึกสว่างมากแล้วเป็นภาวะที่เขามีความสุขเหลือเกินแล้วเขาก็มีคนมาดึงเ้าลงมากลับล่างแล้วก็จะเหมือนกันหมดเลยบอกเขาเสียใจที่กลับมาอีกและนี่คือสัมภาษณ์คนที้เขาตายแล้วก็บรรยายอย่างนี้เหมือนกันหมด ได้ฟังนี้ดูแลเหมือนฟังเหมือนกันว่าความตายมันโคตรเงาคนที่ตายเราเรามีควมรู้สึกดีมากก็ใช่ไงความตายจะไม่น่ากลวัวไงแต่พราะเราไม่รู้เรื่องความตายไงเราถึงกลวงัวไงแต่ตอนนี้เขาพบนะเขาทาทดลองกับหนูนะเพราะว่าหนูเนี่ยก่อนตายเนี่ยคือเขาสามารถจะเอาพวกอิเล็กตรอนใส่เข้าไปในในในหัวสมในในสมองเนะี่ยแล้วพบว่าก่อนตายเนี่ยมันจะหลั่งสาร คือสมองมันจะแอคทีฟมากเลย ม, มันจะมันจะมีนิวโรสไมช์มิเตอร์เช่นโดพามีน mm. พวกนี้ออกมาเยอะมาก mm. ซึ่งไอสารนี้คือสารแห่งความสุขเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะอธิบายได้ว่าทำไมคนที่ใกล้าตายเนี่ยโดยเพรา ะ, ะเรียกว่าเคลื่อนเนเนเนเดทเนเดทเอ็กซ์เซเนี่ย uh. ถึงสึกสบายรู้สึกมันมันเบาอะไรเงี้ย uh. ใช่ไหมก็อาจเป็นปรับภาวะนี้ก็ได้ แล้รจริงๆเนี่ยเวลาเราเห็นเขาทรมาเวลาเราเห็นเขาโคม่าเนี่ยก็ายาจจะไม่ใช่ทรมารที่เราคิดนะเมือม่อเมือ่อสักสองปีที่แล้วนี่มันมีมันมีเรื่องไม่รู้พวกเราเคยอ่านข้อเกียวของศักชัยกายไหมรู้จักศักชัยกายปะที่มอดอกปะ อ, อ๋อไม่ใช่นี่ศ <laughs> ักชัยกายเนี่ยก็มีคนรู้จักเป็นเพื่อนชื่อชื่อเป็ดรู้จักเป็ดไหม แต่งหน้าแต่งหน้าแต่งผมใช่ไหมเปลปเป็นผู้ชายใช่ไหม <c oughs> แต่เขาเขาอย้ตัวกันหนูเป็ดเป็นมะเร <c oughs> แล้ววันนึงเนี่ยศักชัยก็ได้โทรศัพท์จากเป็ด น, <c oughs> นะบอกพี่มาหาหนูเร็วๆแล้วพี่หนูจะไปแล้วมาลาพี่ศักชัยก็ถามว่าจะไปไหนก็บอกว่าหนูจะอยู่ได้ไม่นาน ศักชยกัยบอกว่าเ้ยเสียงแกงดีหมดเลยจะรีบไปไหนไม่รู้ละ่ะหมอบอกว่าหนูเนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานพี่ถ้าอยากมาเจอก็รีบมาซะสักชายก็รีบไปโรงพยาบาลเพราะไม่ได้ไปมาเป็ดทิ่แล้วไปถึงหน้าตอนบ่ายสองก็เห็นเป็ดโคมา่าสักชายก็ถามว่าเกิด อ, อะไรขึ้นกับสักเกิด อ, อะไรขึ้นกับเป็ดเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่เลย ญาติก็บอกว่าเป็นเนี่ยโคม่าตั้งตีสองแล้วอแขมบอกโคม่าอะไรก็เพิ่งคุยกันเมื่อกี้เนี่ยโทรศัพท์นี่นะฮะคุยในโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ให้ดูนะมีมีรีคอร์ดมีเบอร์ว่าเป็ดโทรมาเชี่ยงสองเชี่ยงสองนีแล้วก็ถามว่าเรวโทรศับเป็ดอยู่ไหนไม่มีใครยุ่งกับโทรศัพท์เลยแล้วอยู่ไหนอยู่ในเก๊ะ โทรศัพท์มาดูแปว่าโทรศัพท์มหาศักชัยเวลาเดียวกันมีรีคอร์ดเอาไว้อืแปลว่าอะไรนะคำอธิบายคำคำอธิบายเดียวคือเป็ดมันโทรไปจริงแต่โทรมาได้ยังไงแล้ ว, ลวเป็ดตาย ต, ต า, ต า, าตยแล้วเป็ดเป็นโคม่าโคม่าสภาวะจิตและตอนนี้เป็นโคม่าแล้วเป็ดโคม่าแต่เสียงมันเป็ดแน่และโทรศัพท์ใช้แน่ แล้วโทรได้ยังไงแล้วเป็ดตายตายหรือยังตายตายวันนั้นแหละตายวันนั้นเลยตายวันนั้นแหละตายวันนั้นคือตายวันนั้นเลยคือคือมันตายคือเรื่องนี้มันมันมันบอกหลายหลายอย่างถ้ามันเป็นจริงนะหนึ่งไอ้คนที่โคม่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทรมานเสียงมันใส่ะนะบองทีเราเห็นเขาทรมานองสารนะสองนะจิตของเขาเนี่ยนะ สามารถที่จะใช้โทรศัพท์ได้เฮ้แต่เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้มีมีมีเรื่องแบบนี้เยอะนะประเภทว่าประเภทว่าอย่างเช่นอ่มีเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะเป็นยูคิมเมียโภคใจขวบนะก็มารักษาตัวที่บ้านโรงพยาบาลไม่รับนะ แ้่ก็มีออกซิเจนแล้วก็วันหนึ่งก็ตายแค่ที่พ่อแม่เนี่ยก็มาก็ม า, ก, มาก็มาจัดการเกี่ยวศพเด็กไอ้ร้านออกซิเจนก็มามาทาไมมาส่งมาส่งออกซิเจนเขาก็ถามว่ามาส่งทำไมเขาบอกก็ได้ยินเขามีเด็กเรียกให้มาส่งแล้วบ้านเรามีเด็กที่ไหนอ่ะไมมีเด็กคนเดียวอ่ะ กันมาแล้วเด็กมันโทรได้ยงไงไอ้ที่แปลกกานั้นนะอันนี้เพื่อนเพื่อนเขาเล่านะน้องน้องชายของเพื่อนเนี่ยถูกยิงเรื่องผู้หญิงแล้วก็ไปตายที่โรงพยาบาลหลังจากที่ดูสักห้าหกชั่วโมงก็ทำศพทำศพเสร็จขากับเขาเลยนะ แม่ก็ได้โทรศัพท์ไม่โชว์เบอร์แม่ก็รับเป็นเสียงของลูกที่ตายแม่ผมปวดเหลือเกินทรมารเหลือเกินแม่นี่ตัวแข็งเลยพูดไม่พูดไม่ออกหยิบโทรศัพท์ยื่นโทรศัพท์ให้ให้น้องสาวก็คือน้าของคณตายแกก็อึ้งเลยนะรับโทรศัพท์ก็เลยยื่นให้พ่อ พ่อยังมีสติดีบอกศาสตร์ลูกตายไปแล้วนะนะให้ปล่อยวางซะนะ mm hmm. ให้ริ้ถึงบุญที่ได้ทำ mm hmm. ก็พูดเนี่ยใส่โทรศัพท์เนี่ยสีห้านาทีอ mm hmm. นะันนี้แปลกนะ mm hmm. อีกาการเขาใกล้ตัวมากเลย mm hmm. เพื่อนนะเพื่อนเนี่ยอันนี้เพื่อน mm hmm. เพื่อนีกคนหนึง่งไปเยี่ยมแม่ที่กำเนียร์ตายนะที่โรงพยาบาล ก็พูดน้อมใจแม่ให้นึกถึงกุศลทำความดีหมดเวลาเยี่ยม น, นะตอนนั้นแม่เอามมา ก, กับขึ้นรถเมลไปกันสองคนจู่ๆได้โทรศัพท์เปิดูเป็นโทรศัพท์แม่ฟังเงียบไม่มีเสียงก็กดจะพักโทรศัพท์อม่ไม่มีเสียงแกนี่แ ก, แกเอจใจ แกลเกลยแกเลยสนิทถามว่าเนี่ยสายแม่โทรแม่สายแม่ผงสื่อสารก็บอกแม่นะบอกแม่นะไม่ต้องห่วงหนูนะนะพูดนี้ไปแล้วก็วางหูสักพักพยาบาลก็โทรมาบอกแม่เสียชีวิตแล้วแล้วที่มันแปลกคือโทรถาแม่อยู่ที่ไหนอืออยู่ในกระเป๋านะแล้วแม่เอาโทรถามที่ไหนมาโทรใช่ไหมครับจิต ตอนนี้ก็เหมือนกับที่เวลาคนจะตายแวางทีก็รอลูกรอจนพอลูกคนแต่นี่ไม่ตายไงเออแต่นี่เออไอ้แบบนี้มีเยอะเพืรอรอรออให้ครบแล้วก็ตายแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเพื่สื่อสานทางโทรศัพท์เนี่ยมีแล้วนะพราะนนเวลาใครตายคนใกล้ชิดตายก็ ย้นโทรสังไปด้วยนี่เราเอาสายชาไปด้วยไล่เหรอะพราะว่าแบงค์ไปด้วยท่านเรื่องของน้องหญิงนะครับใครเด่นน้องหญิงเนี่ยใครที่เขาเสียชีวิตนะครับแล้วก็รู้องหญิงที่ที่เป็นดเถอดที่เป็นทองเป็นทองทองล้อร้องทำไมแล้วก็เขาก็ถูกฝังไปใช่ไหมครับก็ พอถูกฝังไปเสร็จจบเนี่ยคุณแม่เขาเนี่ยซึ่งเป็นคนต่างจัหวัดรู้สึกเป็นคนที่ทํางด้านพระพระิษก็ไปถึงที่ปรากฏว่าเขาก็พูดคือรับทานองว่าใครคือค่าค่าคือทำไมค่าคูอทำไมทํำให้ศามรู้สึกสงสัยนะครับตอนนี้ว่าสงสาว่าอะไรเอ๊ะตอนนี้คำคือตอนนี้เนี่ยมันก็มีโลกโซเชียลมันก็มีหลายหลายหลายย่า ว่ายัางไงนะครับคนีในในในณตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันคืออะไรแล้วเอ๊ะแล้วเขาพูดออกมาทำไมในลักษณะอย่างไรหรือว่าเขาพูดออกมาเองที่ว่าฆ่าครูทำไมฆ่าครูทำไมตรงเนี้ยครับก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นการออกมาจากจิตสําสำนึกหรือว่าเกิดจากเกิดจากถ้าพูดคือว่าผีมาเข้าก็ได้ใช่ไแต่ว่า มันเคยมีเคสแบบเนี้ยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้นะที่มันน่าทึ่งอ่คือว่าหาศพไม่เจอไงอแล้วก็ฝันว่าลูกเนี่ยมาบอกอว่าตรงนั้นตรงนี้แล้วไปหาเจอเจอตรงนันเออตรงเนี้ยคือหามานานไม่ไม่เจอออะืแต่ว่าลูปมาเข้าฝันก็ อ, อย่างเงี้ยไอ้แบบนี้อันนี้มันมันน่าทึ่งเนี่ยคือมันหาเจอไงใช่ยไหมไมนงั้นหาไม่เจอ แต่ว่าประเภทว่ามามาเข้าแบบนี้เนี่ยมันก็มไม่มีไม่มีทำนองนี้นะแต่มันมีอีกแบบหนึ่งนะประเภทว่าอายุแปดสแล้วก็ไปผ่าหัวใจรอดนะกลับไปที่บ้านสามวันหลับตายใครก็บอกว่ า, าตายดีนะบอกว่าไม่กี่วันไปเข้าไปเข้าเพื่อนบ้านนะค่่ำครวญมือนก็ว่าเสียใจที่ไม่ได้สั่งเสียลูก ที่จริงมันควรจะสั่งเวยแต่ก่อยเข้าโรงพยาบาลแล้วนะแต่สิงี่จริงคุวยจะสั่งเวยแต่อายุเจ็ดแล้วนะ อ, อันนี้แบบนี้ถ้าเกิดไปเรื่องจริงก็แสดงว่ามันแสดงว่าเขายังมีม ค, ความอะไรจะได้ไเข้าเข้าน้องแม่ก็อด้วยไหนสองปีไม่ทราบก็ได้ ตอนนี้มันเลยสับอนมากแต่แต่มันมันไม่เป็นประเด็นที่สายต้องมาพิจารณาไม่ใช่เอเพราะว่ามันไม่เกี่ยวมันเร่อง่าจริงนี่ว่าไม่ได้เป็นประเด็นนะครับแต่เยงแต่ว่ามันเหมือนกับตอนนี้มันทำให้สับสนไปหมดในโลกของโซเชียลนะครับคีนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ากำลังจะทำให้เห็นว่าเนี่ยคือของจริง ซึ่มันก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแเ้วก็ไม่รู้ว่าจริงหือเปล่าคือมันเกิดักปลั๊มนักให้มีน้ำหนักมากขึ้นเออกําลังจะทําให้เห็นว่าเนี่ยมันให้มีน้ําหนักมากขึ้นว่าค่าแน่ค่าแน่ใช่ไหมฮะซึ่งหลายหลายเรื่องเนี้ยบางครั้งเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่บางทีเขากําลังจะทําไม่ใช่ไม่เจอกระแสกระแสตัดสินที่ภาษามพิลลุ่มหน้าแล้วมีใครอยถามอะไรไหมครับ อยากถามหลงพี่บรรู้มีเคล็ดลัามอย่างว่าทําไมหลงพี่ถึงปวดและทําไมปวดไปถึงตอนนี้ครับโอ้ถามเยอะแล้วเยอะเลยก็ตอบอย่างละตอบมตอบทุกครั้ที่ไม่เคยจอหลงพี่เลยนะเนี่ยทั้งแรกตอบได้ตอบได้คือตอนแล้วก็จะบวดสามเดือนเพราะเครียดงานเครียดกเคียกับงานพอบวดแล้วก็ปฏิบัติเออมันดีนะขอบวดต่ออีกหน่อยเพราะว่าถ้าสึกแล้วคงหายโอกาสปวดยากจากสามเดือนก็เป็นหกเดือนเข้าพเจ้าสาบแช่งเลย ขอภาษาเร็จอขอปีหนึ่งดีกว่าพอปีหนึงเสร็จขอสองปีขออีปีนึงต่ออายุไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันก็มันก็เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วผ่านไปถึงก็สิบปีแล้วพอสิบปีแปีอะไรครับบวชสองเลยสองหกสองหกแม่เสียก่อนนะแม่เสียที่หลังแม่เสียหลัง่ครับสามหกเอาปีสามหกอันนี้รวมแล้วกี่ปีแล้วครับามสบปีสสี่ปี สองหกก็หกศูนก็สายสี่ปีผมงพี่บทดล้สุขใจก็โดยส่วนใหญ่แต่ว่าสุขกแบตอนเป็นคารว่าตอนเป็นคารว่านี่สนุกก็จริงแต่ว่ามันก็ทุกเยอะเป็นไพ่ที่มาสุขง่ายกว่าแต่มันไม่เคยสนุกเท่าไหร่ตอนนี้จะจะต่อไปอีกไหมครับอีูไปเรื่อย รู้ที่ไม่ทำให้สม่มาสมอส่วนมาบ้างครับเอาตงนจะตัดกแขงผมจะตัดกู่แขงตรงที่ทำไมถึงมาที่ตรงนี้แหละครับที่ที่เราถึงมาอยู่ที่มหาวันกาสบโตเยคือปีสองสามเนี่ยเคยมาตอนเป็นคาราวานนะเคยมาเคยนั้นทำาอเจโ เคยมาเคยมาช่วยงานหลวงพ่อกำเสียท่านทำศูนย์เด็กที่ท่ามาไฟแล้วก็ตอหลังก็ช่วยท่านทาธรรมศากลข้าวอคือท่านในความรับรูงเราเป็นพระนักปฐนาเราก็มาช่วยตอนหลังมารู้ว่าท่านก็เป็นพระกรรมฐานด้วยพอปีสองห้าจะบวชก็เลยนึกถึงท่าน อยากจะมาบวชกับท่านปลายปีสองห้าปีสองหกก็มาบวชเลยแต่ว่าใหม่ๆก็ให้ท่านให้ไปอยู่กับหลวงเชียนก่นนอนอยู่ที่มุมลงแล้วก็พอปฏิบัติแล้วเออก็ดีขึ้นก็เลยมาอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ยาวเลยหูพี่เคยเจอผีไหมครับ น้ำไม่ได้วัดนี้วันนี้ไม่มีไม่มีไม่มีเรื่องราวแบบนี้เลยอตอนนี้วัดป่าสูงตัวนี้เป็นวัดแล้วได้ขึ้นระเบียบเลื่เป็นวัดแต่ยังไม่มีวิสุิสงครามสีมาอขายังไม่มีวิสุงคามสีมาคือมันยังไม่สมบูรณ์ร้อเปเซ็นแต่ว่าก็เป็นวัดแล้วแต่ผู้หลงเยมันยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เป็นวัดในสถานะเดียวนะ สำรับสองเลยแล้วูหลวงนี่เป็นต้นน้ำอะไรนะครับลปราเทาเป็นต้นไม้น้ำต้นน้ำลาปราเทามีเขื่อนใช่ไหมตรงนี้มีเขื่อนลำป่นเทางอเขื่อนลำป่าเทาท่านเจ้าคุณประยุทธ์เป็นพระปราชญใช่ไหมเป็นคู่สวดเป็นพระคู่สวดเป็นพระสวัสดิการผมว่าจะไปกราบท่านอย่เร็วนี้อยากไปกราบพี่มไม่กล้หรอกทาไม่ไม่เคยว่างไม่เคยว่างแล้วก็หาตัวยาคื ตัวขนาะท่านเขียนจดหมายมาถึงเรานะถ้าบอกไม่ต้องเขียนตอบเพราะว่าไม่รู้สยู่ที่ไหนทําไมนะก็ท่านได้ไปเรื่อยถือท่านก็ไม่เปิดเผยไงไม่อยากจะเปิดเผยถึงแม้วันนี้ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นท่านราชกํานะท่านสมเด็จแล้วก็ไม่ก็อยู่อถ้าไม่อยู่ไม่อยู่วัดยานไม่อยู่นะฮะถ้าก็าเก็บตัวทเาํำงาน คืออยู่วัดยาไม่เป็นการทำไม่เป็นกาอะไรแล้วแล้วก็ยัีนคือมีปัญหาเรื่องสุขภาพสุขภาพคืออากาศกรุงเทพนี่ท่านไม่ไหวท่านเคยขึ้นมาแถวนี้นะมาดูว่าพอจะอยู่ได้ไหมตั้งแต่30มสิบปีที่แล้วก็เคยขึ้นมาที่นี่มามาจีมาดูว่าอากาศถูกท่านไหมเพราะว่ามีปัญหาเรื่องปอนมากหลังจากนั้นท่านเป็นพระผู้สวดให้ผงพี่เลยตอนบวชนะผมพี่บวชบทที่วัดเออตอนน้ำคุณตอนนุำคุณ ลืมไปว่าคุณใหญ่อยู่แถววัดโพงแต่ถ้าคุณตอบคือตอนเนี้ยหลังๆไม่มีอัดสิ่งออกมามีมาเรื่อยๆแต่ว่าเป็นของเก่าของใหม่คือตอนนี้ท่านพูดพูดแล้วเนี้ยป่วยพูดแล้วเหนื่อยเลยใชนสุขภาพแย่มากแย่มากไอ้วันนั้นวันที่ห้าธันวาเนี่ยพูดเสร็จเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเลนะดูดสีร่ แค่ยี่สิบนาทีเอยเขายะเด้ดตามหาทานที่บ้ทนไม่เจอแน่นอนผมไม่รู้ผมว่าท่านปฏิบัติอยู่ที่ว้าโดยปกติเขีนจดหมายไม่รู้ยส่งที่ไหนเลยท่าไม่บายมายี่สิบปีแล้วโตเป็นเด็กแล้วมาบวชเองก็เพราะว่าสุขภาพแย่แล้วก็แย่ลงแย่หนักจนสามสิบปีที่ผ่านมานี่แย่ตลอดเป็นคนสุขภาพแย่แต่แข็งแรงมากนะหมายถึงว่า ป่วยสารพัดแต่ว่ายังทํางานได้เยอะแล้วก็จนวัจจุบันเจ็ดสิบแปแล้วเนี่ยคือถ้าเราเป่วยแบบท่านนะไปนาแล้วซป่วยป่วยมากมากเลยนะเนี่ยป่วยมากๆถ้าเป็นโรคประตัวอะไรนะมันเป็นโรคประจำตัอสารพัดคือมีปัญหาทุกมีปัญหาทุกระบบคโอ้แต่ท่านเป็นคนอารมณ์ดีมากเออปฏิบัติดีไม่รู้ท่านอยู่ความเจ็บป่วยยังไงแล้วทํางานยังไง า ง, งานเยอะแต่พูดไม่ได้พูดแล้วไม่ไหวคือถ้าเป็นคนที่พูดแล้วเนี่ยท่านจะเป็นเสียงท่านจะเป็นเสียงดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ใจนั้นเสียงท่านนี่จะแตดังนะกลางวาันท่าไม่ได้ขาลตงที่ยาวพูดให้จบเนเซสชั่นท่านแท็กียาวเหยียดสองชั่วโมนานมากไอ้นี่ก็เลยยิ่งเหนื่อยหนักขึ้นอ่างขึ้นชั่วโมงพอนะ มันปเป็นเซกชันของท้างนี้มันยาวจบแล้วแหละสองชั่วโมงโจบเลยโอเคมถามอะไรม้ก็มีไมเรื่องครับต่างๆครับเออการที่เราจเจริญสมาธินะครับหรือว่าพิบัตสานกรรมฐานเนีจริงๆคือประสงค์หลักของการเจริญพิปัตสานกรรมฐานเนี่ยเพื่อจ ะ, จะใช้ได้ตรงเพื่อเพื่อเห็น สัจธรรมให้เห็นความจริงของกายและใจว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้เห็นความจริงของกายและใจก็เห็นความจริงของสารพสิ่งที่อยู่รอบตัวก็คือว่ามันมันเป็นนิ จ, จังทุกขงกังอนักตาแล้วมันก็จะวางได้อวางนี่นะเ ป, นเป็นส่วนยอดของการของการปฏิบัติแล้ว เพราะว่ามันก็จะไม่ทุกข์ไงไอ้ที่เราทุกข์เพราะเรายังยึดเนี่ยยึดในร่างกายนี้ยึดในสิ่งของต่างๆซึ่งมันก็แล้วแต่ไม่จริงรังพิปัสนาคือทําให้เกิดปัญญาเห็นไม่ใช่แค่สงบครับเรื่อย่างในวัยพวกเราครัควรจ ะ, จะเจริญให้มากขึ้นเอาแค่ว่าเจริญสติก่อนให้มีความรู้สึกตัว <c oughs> ไม่ต้องมีปัญหาเจริญสติเปล่าสติมันเป็นพื้นฐานของพิปัสนานะ ลัศติเป็นพื้นฐานสมาธิด้วยก็คือว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทำอะไรเป็นอย่างยานใจลอยบ่อยๆตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นไม่มือนไม่เหมือนใจ่นัอยากให้รัาลได้จัดให้พวกมนาสังหารของราลเรื่องกระสือคอร์กได้เลยหมูเป็นโตะโผจัดเดี๋ยวแล้วไปที่บ้านนอ่ครับ เอาวันหนึ่งก่อนก็ได้วันเดียวันเดียวดียวเว่าวันวันเดียวก่าันดียวานเดียวก่าวยก่าันเดยกว่าวันเดยาังเดยวก่าันกาวันเดียานดีย่านดยกาวัเดียานดีย่านดยวว่านเดีวกาวนี่าวันยาไดียว่าเวานเีาันี่ันเวานเกาัก่าวนเดานยก่เดี่านเดยาวัเย่นเดียา กควจะตัดทางโลกสักสามมันเนี่ยนึกว่าข้ามยู่รสามวันมาอยู่กับข้าเป็นสารนึกสามวันแล้วเราลองมันจะไม่รอดก่อนไ้างและรองว่าผมก็โยชนได้เกิดได้ใช้แน่ตอาตายเลยนะครับอาส่าักแล้ลงวันีต้องเริ่มรอดไปึ้มาองรับผมถางเองเวลาที่คนหลัเจริญภาวนาเนี่ย ตอนที่เราเริ่มแบบสมถภาวนาไปเรื่อยๆจะรู้ได้ยังไงถึงท่านอยุปัสสนภาอนาอ๋อพอจิตมันนิ่งพอจิตมันคือมันคือมันแล้วแต่คือมันแล้วแต่วิธีการนะเจ่นทศชากจันมั่นเนี่ยต้องให้ได้ฌานก่อนอเพราะว่าท่านจะเอาฌานเนี่ยท่านจะเอากําลังของฌานเนี่ยเพื่อให้จิตเนี่ยไปดูกายดูกายให้เห็นเข้าใจเรื่องธาตุสี่ซึ่งต้องใช้สมาธิมากแต่ว่า บางบางสายเนี่ยเขาก็ใช้ใช้วิธีไม่ต้องไม่ต้องสมาธิขั้นชาญแค่สมาธิระดับแบบเราเราท่านท่าเนี่ยเอามาใช้ดูจิตสมรรถภาวนาพอไหมครับได้แต่แต่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถึงขั้นชาญเอามาดูจิตนะที่ว่าให้ให้ให้มาให้มารู้จิตเนี่ยให้เห็นอาการของจิตทุกครั้งที่มันเกิดขึ้น แค่นั้นก็กพอแต่ก็ต้องอาศัยความสงบในระดับหนึง่งและการที่ทำให้เกิดความสงบอย่างนั้นได้นเนี่ย ก, ก, ก็เรียกว่าสมาาัทานอีกอย่างหนึ่งสมาทานนาเนี้ยอาจจะหมายความถึงว่าฝึกจิตเพื่อให้รู้จักวางแล้วใจสงบแต่ว่าแค่น้นไม่พอต้องฝึกจิตให้สามารถจะพิจารณาจนเกิดปัญญาคือสว่างได้คือบางคนพอใจแค่นี้พอเจอสเสตจใจสงบก็หยุดละแต่ว่าปัญญายังไม่เกิด อันอย่างนี้ก็เรียกาสมถานเหมือนกันแต่เป็นสมถาแบบไม่ต้องถึงขั้นฌานแต่ว่าใจมันสงบอะไรเงค้ยคว่าปัญญาที่อาจารย์ว่าลองขยา ย, ยก็เห็นความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวหรือกายจะใจว่ามันไม่เที่ยงที่ฟังฟัคเขาเขาอากจะพูดเป็นปัญญาเนมันอะไรที่มันแบบโอ้โหเหนือแบบอันนี้แหละไตรลักเนี่ยเป็นพื้นฐานเลยเป็นมันไม่ใช่แบบที่อาจารย์พูดว่าเห็นเห็น เห็นตัวเห็นตัวตนของตัวเองมันคล้ายๆจะเป็นยาแก้แวอะไรได้หรือเปล่ามันฟุ้งแล้วมันฟุ้งแล้วฟุ้งนี่เลยนี่พุทธเจ้าเนี่ยเมื่อรดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตกลงนั่นแหละเป็นแห่งพลันพานอันเป็นทรรมบทดตมีปัญญาเห็นสังขารว่าไม่เที่ยมีปัญญาเห็นสังขารเป็นทุกข์เห็นธรรมทุกเป็นรัตตากลิจริงมันก็หนีไม่พ้นเรื่องไตรั้ง ไอ้ที่เหลือนี่มันก็เป็นส่วนส่วนส่ว น, สวนเสริมไตรักเกินแล้วอันนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะครับตาผมว่าเขาวา ท, ทุกข์กขงังอธิบายฟังแล้วทุกคนย<อ>ังงงอยู่ตไตรักทุกข์กขังก็คือ ส, สภาวะเอา ง, งา่ายๆสภาวะที่มันเสื่อมสลายทุกอย่างเนี่ยไม่ว่ารูปธรรมงานทํา ที่งุฤก็ต้องเสือ่อมต้องสลายอันนั้นคือคือคือปรากฏการภายนอกแต่ลึกลงไปเนี่ยทุกครั้งมาถึงสภาวะที่มันมีความขัดแย้งอยู่ข้างในเพราะมันมีการเกิดการดับอยู่ภายในใช่ไหมแล้วมันก็แสดงออกมาเป็นความเสือ่อมเป็นความเก่าเป็นความชรา ก็คือไม่ใช่ความทุกข์ที่ที่เราพูดกันว่าเป็นทุกข์จิตใจเป็นทุกข์อะไรคนคนละทุกข์กันตุกนั้นนั้นอันนั้นมันมันตามมาทีหลังตามมาทีเพราะว่าการที่คนเราเนี่ยนะไม่ยอมรับกับสภาวะที่มันเสื่อมมันดับไปได้เนี่ยจึงเป็นทุกข์ใช่ไหมเช่นเริ่มแก่เริ่มชราเริ่มเจ็บเริ่มป่วยก็ทําใจไม่ได้ก็เลยทุกข์เวลาป่วยก็เลยไม่ได้แค่ป่วยกายป่วยใจด้วยสภาวะ ทุกครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราฝืนความจริงยกตัวอย่างเช่นเราลองเปิดตาดูเราลองลืมตาดูแล้วเราไม่กระพริบตานะถ้าเราลืมตาแล้วเราไม่กระพริบตาเนี่ยถ้านาทีจะเกิด อ, อะไรขึ้นปวดตาใช่ไหไอ้ปวดตาเนี่ยก็เป็นก็เป็นทุกข์ที่เกิดจากการที่ฝืนความจริงความจริงก็คือว่า เมื่อหลับตาเมื่อเปิดตาก็ต้องก็ต้องเมื่อลืมตาก็ต้องหลับตาใชถ้าเราไม่ยอมรับความจริงคือคือไม่ยอมหลับตาเนี่ยเราก็จะทุกข์เหมือนกับเรานั่งเนี้ยไม่ไม่เรานั่งเนี่ยไม่ว่านั่งท่าไหนก็ตามเนี่ยถ้านั่งไปนานๆเนี่ยมันเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วอันนี้เราทุกขเวทนาแต่มันก็มันก็เกิดมาจากสภาวะ<ต>ที่ร่างกายเนี่ยมันเต็มไปด้วยตัวเรียกว่า ม, มันเป็นตัวทุกข์นะมันต้องคขยี้ขออยับเสมอ ถ้าเราไม่ถ้าเราฝืนใจไม่คืบยังขยับเนี่ยเราก็จะทุกข์เพราะเราไม่อยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้มันต้องเปลี่ยนอิริยาบถแต่ที่มันต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะว่ามันมีความขัดแย้งอยู่ข้างใน <c oughs> ในะก็เหมือนกับเราเราเรากินแล้วเราก็ต้องถ่ายไอการที่การที่ร่างกายถ่ายเนี่ยนะมันก็เป็นเกิดจากการที่มันมันมีความขัดแย้งอยู่ข้างในที่มันต้องมีของเสียออกมา นี่เราไม่เราไม่เราไม่เราไม่ยอมถ่ายไงเราก็ปวดท้องเนี่ยเราก็ทุกข์เองความทุกข์เนี่ยมันหมายถึงมันมันเป็นสภาพที่เกิดขึ้นทั้งกับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเช่นตึกต ก, ก็ต้องมีวันเสื่อมสลายไปเป็น ท, ทุกข์ทุกครั้งในความหมายนี้นคือความเสื่อมสลายของทุกสิ่งทุกอย่างที่จริงแม้กระทั่งอะตอมนี่คุณจะจะเห็นเลยนะว่าในขณะที่เรา อิเล็กตรอนเนี่ย<ช>มันก็พยายามที่จะห น, นีออกจากไอออนนิวเคลียสใช่ั้ยแต่มันก็ถูกดึงเอาไว้มันมีการต่อสู้ข้างในระหว่างอิเล็กตรอนกับนิวเคลียสเพรอิเล็กตรอนเนี่ยมันต้องการหนีออกไปกับ N rest, นิวเคลียสใช่ไ่มแต่ว่ามันถูกดึงเอาไว้นี่คือความขัดแย้งเป็นคอนเฟล็ก์ที่มันเกิดขึ้นอยู่กับทั้งในระดับระดับเซ็ตระดับอะตอมเลยอยู่ระดับซับอะตอมอีกนะ ภายในตอนนี่มันมีความขัดแย้งอยู่ในตัวซึ่งนะมันมันต้องมันต้องพยายามเพราะนั้นเนี่ยนะพอพอพอมีอะไรมาพอมีอะไรมากระทบกระแทกเนี่ยนะเช่นถ้าไปยิงยิงยิงยิงไอ้ตอนทมันแตกเนี่ยตูมเลยเพราะว่ามันมีการบีบไอวิฟฟ์ฟอสซองฟลอสมัธยามดึงเอาไว้ ใช่ไหมมันพยายามดึงเอาไว้ใช่ไหมแต่เมื่อกระตานที่ทําให้ภาวะ big f o r c e strong f o r c e เนี่ยมันกระเทือนเนี่ยมันก็ไม่เสถียรแล้วตูมแต่ถึงแม้มันไม่ตูมเนี่ยมันก็มีความขัแย้งข้างในมันรอมันรอที่จะระเบิดใช่ไหมถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นสารสารกัมมันตรังสีมันก็จะสลายตัวได้เร็วเพราะว่ามันก็จะแผ่กัมมันตรังสีไปเรื่อยๆไอ้การที่มันแผ่กัมมันตรังสีไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็แสดงเห็นภาวะที่มันขัดแย้งตัวเองที่ที่ ที่นิวเคลียไม่สามารถจะดึงจะดึงไอ้ไอพวกนี้ไว้ได้มันก็จะแผ่ไปเรื่อยๆแผ่ไปเรื่อยๆใช่ไหมไอ้ไอส้สกังตัวสีเป็นตัวชืีอเลยนะว่ามันเห็นเหตพสภาวะทุกขังในระดับทรัพอ์ตนอีกนึนงก็คือมีความผันแย้งที่ทําให้ในอื่นก็ต้องเสื่อมสลายไปอืมนี่อันนี้จังแบบทุกขังก็คล้ายๆกันอันนี้จังมันจะว่ามันคลายก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้จังเกิดเพราะทุกขงัง ก็คือว่าเพราะความที่มันมีความเสื่อมมันเลยต้องมีความแปลเปลี่ยนใช่ไตึกที่มันตึกที่มันเคยสวยมันก็เริ่มหมองอันนี้ก็เรียอันนี้จังแต่ว่าเบื้องหลังของมั น, นคือทุกขังแต่ที่สุดแล้วก็คือไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนใช่ไม่มีตัวตนของมันเองแต่ไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีตัว ม, มีตัวตนคือมีแต่ว่ามีแบบไม่มีตัวตนตัวมีงมมีแต่ไม่มีตัวตนสมิกรรมเนี่ยกรรมนี่เราเรียกว่า อ, อะไร ก, กรรมือกรรมือตัวตนของกรรมกรรมมัดกรรมือกรรมมัดมีไห ม, อมอพอแบมือออกไปมัดก็หายไปแลนะ้วผู้ใหญ่คือว่ามัดก็คือสิ่งที่ใช้เรียกมือที่ลวกเข้าหากันว่ากรรมมัด กำมัดเป็นสมมุติที่ใช้เรียกอาการที่มือนิ้วรวงเข้าหากันแต่ตัวตนของกำมัดไม่มีแต่มือมีมือก็ไม่มีมือก็ไม่มีเพราะว่าเราก็เลยสมมุติว่าไอ้เรื่อง<ห>มื อ, ม อ, อแต่จะบอกว่าเรามีเซลล์มีอะตอมมัน ก, มนก็มันก็มีนี่มันก็ฟิสิกอลมันก็พอดูไปเรื่อยๆเนี่ยถึงสุดท้ายเนี่ยนะ ม, มันก็างงานมันก็มันก็ขึ้นอยู่กแบบับเครือ อนัตตาก็คือว่าไม่มีตัวตนของมันเองแต่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยไปถึงระดับคอร์ไปถึงระดับไปถึงระดับอะไรก็ตามเนี่ยมันก็มันอยู่ได้เพราะมันมีเหตุมีปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยไม่มีมันก็อยู่ไม่ได้เอออันนี้คือความหมายของอนัตตาคือว่ามันไม่ได้อยู่ด้วยตัวของมันเองแต่มันอยู่เพราะมีเหตุและปัจจัยเหตุปัจจัยมาทําให้มันมีก็คือไม่ได้ปฏิเสธว่ามันไม่มันเนี่ยถ้าเราไม่เอามือล่วงอาการเนี่ยหมัดมีไหมใช่ไ่ม กบัไม so no no no no mm ีได ah, ้เพรอะมือรวบข้อหากันใช่ไ้มไอ้ตัวตรงของมันไม่มีพอพอแบมือไปมัดหายไปแล้วอาจารย์บางคนก็บอกว่าเขาตั้งสมาธิหรือเรียกอะไรผมเรียกไม่ถูกครับจนถึงระดับที่เขาแบบอิตาีสามอาจารย์อาจารย์พิญญาพิญญาเออเรียกพิญญาก็เปไปได้ ไม่ถึงหรอกไม่ได้ฝึกทางนี้ไม่ได้ฝึกทางเรื่องฌานอย่าอาบันท่าออนไม่มีไม่มีตอนีเห็นบรรยายในห้องในห้องนั่นนพูดถึงอยากให้ช่วยขยายความในอนาพาณสติอนาพาณสติผมอยากให้เขาายใจผมก็คือการมีสติอยู่กับลมหายใจเรื่องอนาพาณสติอนาปาคือลมหายใจมีสติอยู่ลมหายใจเข้าลมหายใจออก ก็คือเส้นทางไปรลปัสนะธรรมวนาเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือเป็นอุบายูตัวซึ่งมีหลายตัวมีอะไรบ้างีนาว่ามีรณมรณะรูสตกมรณะสติกาสตาสติกายลัสติคือการพิจารณาเห็นกายว่ามันประกอบไปด้วยธาตุสีแล้วก็มันมันล้วนแล้วแต่มีแต่สิ่งไม่สวยงามเช่นตอบปอดหัวใจม้ามอพวกนี้มันทำให้ไม่มีมันทำให้เกิดความจางคลาย ไม่ยึดติดในร่างกายนี้มันคือเป็นถูกใที่ครับแล้วเมื่อกี้ที่เชื่อมันถามเรื่องปัญญาเนี่ยนะปัญญาเนี่ยเกิดจากอะไรครับเกิดจากการไตรตรองเกิดจากการกดูเกิดจากการาเกิดากรดูสิ่งที่เอาไง่ายๆคือดูการกับใจบดูสิ่งที่เป็นของจริงก็คือการกับใจจนเห็นความจริง ไม่ใช่นึกเอาแต่ดูสิ่งที่มันปรากฏกับเราตอนหน้าตาตาก็คือกายกับใจก็คือทําสติเนยสติเพราะสติสติเป็นเป็นเป็นตาใหเป็นเป็นเครื่องมือที่ใช้ดูกายกับใจของเราแล้วก็จะเกิดปัญญาต้นเชตุธรรมชาติของมันแมันไม่มันไม่เที่ยงนะครับแล้วอย่างนี้เวลาที่เราดูกายกับใจเนี่ยตอนนั้นเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสนาถ้าดูนี่เป็นวิปัสนาวิปัสนาแล้วถ้าเกิดสมถะนี่จะอยู่นี่ เป็นสมถะคือใจสงบเพราะงั้นถ้าเกิดเราสมถะเนี่ยก็จะไม่เกิดปัญญ า, าแต่เราใช้ความสงบเนี่ย เ, เพื่อทําให้เกิดปัญญาได้ก็เหมือนกับน้ําเนี่ยมันต้องใสก่อนมันต้องนิ่งก่อนเราถึงจะเห็นจนจะเห็นว่าอะไรเนี่ยมันอยู่ใต้น้ําถ้าน้ําไม่นิ่งเนี่ยก็อมองไม่เห็น เพาะงั้นสมถะอย่างเดียวเนี่ยจะไม่เกิดปัญญาจะเกิดต่อเมื่อเอามาพิจารณาใส่ต่อกายกับใจหรือไม่ดูภายนอกก็ได้เช่นเห็นใบไม้ตกเห็นใบไม้ตกนะก็บรรลุธรรมได้เห็นตกวัวมันเหี่ยวเช้าก็บรรลุธรรมได้ที่ผมถามที่ผมไม่ควรถามใช่ไหมถามได้ได้ทําแต่ว่าตอบไปแค่ว่าไม่ได้ปฏิบัติอย่างนั้น มันมันเป็นคนและวิธีกับการปฏิบัติการเจรติคนแนวซึ่งแนวนั่นคืออะไรครับก็แนววัดป่าเก็จะใช้การเ็จะปฏิบัให้เกิดฌานความับแล้วเื่อฌานแล้วไปไปทําเกิดปีนี้ไปทให้เกิดไปพิจารณาิจารณากายใน้ฌานได้ยางจิตถึงระดับแล้วแล้วที่เขาบอกเขาเอนการที่สามคือเขาบอกเป็น้ารส ไม่ถึงมองอนาคตคือคนที่ก็อ้างกับผมเขาบอกว่าอยาอ๋อนี้ไม่รู้ทองครับก็เลยสงสัยว่ามันมีมันในทางพูดเนี่ยมันไม่มีอนาคตถึงณเวลานี้เวลาพูดเรื่องสมาธิเขาไม่พูดเรื่องพูดแล้วจะศาสนาไหนเข้อมานะสมาธิกันแล้วมันคาว่าสมาธินั่งสมาธินี่มันไม่มีคำว่าขอเขียนของศาสนาเขาไปแล้วไม่ได้พูดถึงศาสนาพูดแึ่นเมื่อี้ไม่ไม่อยู่บอกว่าพูดอยู่บอกว่าพูด ไม่ไมไ ม, ไม่มีคำว่าพุ่นเกี่ยวข้องอกับสมาธิต่อไแต่มันมาจากผู้รู่เชยๆพิสไม่มีนักสมาธินมาวันนี้กอนที่จะมาแนะสมาธิไม่จำเป็นต้องผู้ที่ตอไปปังหมายก็อย่างนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครก็ได้ผมผมผมมายถรับขั้นครับจะมีความเขใจโอเคคราวนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะยังไงบ้างครับตรงนี่ี